ะจะเจริญามทุกคนวันนี้เป็นวันที่คนรู้ดีกำหนดดีกันอย่างประเทศไทยเราก็ใช้วันที่สิบสองสิงหาคมเป็นวันถือว่าเป็นวันแม่ทุกคนจะระลึกถึงคำว่าแม่จะต้องทำความเข้าใจในความเป็นแม่ แล้วก็จะต้องปฏิบัติกับการเป็นแม่แม่ก็ต่อระลึกถึงความเป็นแม่ปฏิบัติความเป็นแม่ลูกก็ต้องระลึกถึงความเป็นลูกลูกที่มีแม่และเราจะปฏิบัติตนเป็นลูกอย่างไรดีให้แม่นี่ดีใจหรือว่าแม่นี่ภูมิใจปลื้มใจให้แม่เนี่ยสุขใจอย่างไรและเราจะปฏิบัติต่อแม่ อย่างไรด้วยจะกะตัญญูกตวเวทีจะรับใช้จะทำประโยชน์อะไรให้แก่แม่อะไรต่างๆนา น, นาพวกนี้เป็นต้นเราก็จะต้องระลึกแล้ว ก, ก็ทำจริงปฏิบัติประพฤติแม่วันนี้ระลึกเอาวันนี้ระลึกได้คิดได้ก็สำทับใส่ใจเราตั้งใจไว้ในใจ เพื่อที่จะได้ทำอย่างดีๆอย่างนั้นกับแม่ต่อๆไปเราจะได้มีกรรมกิริยาการเป็นแม่การเป็นลูกที่ดีแม่ก็ระลึกความเป็นแม่แล้วก็ปฏิบัติสภาวะในความเป็นแม่ให้ดีลูกก็ปฏิบัติความเป็นลูกที่มีแม่ปฏิบัติกับแม่หรือปฏิบัติกับคนอื่นๆด้วย จะได้เป็นทีชน่ชื่นใจจะได้เป็นที่ภูมิใจของแม่เพราะว่าลูกเราปฏิบัติกับใครๆก็ปฏิบัติดีนะมันก็เป็นความดีไปมากเป็นความดีไปโอโหเยอะแยะเลยน ะ, ะในการเป็นแม่เป็นลูกนี่คือการสัมพันธ์กันระหว่างการเกิดแม่คือผู้ที่ให้ใหชีวิตในการเกิดเกิดเป็นร่างเป็นกาย แต่การเกิดทางวิญญาณแม่ให้การเกิดทางวิญญาณแก่ลูกไม่ได้วิญญาณนี่เป็นกรรมพันธ์ไม่ใช่สรีระพันธ์กรรมพันธ์กับสรีระพันธ์ต่างกันยังไงส ร, รสรีระพันธ์ก่อนสรีระแปลว่าร่างแปลว่าส่วนต่างๆของร่างเรียกว่าอณุธรรมี อนั้นทพี่โซนต่างๆที่เกี่ยวพันกับร่างกายทั้งแต่ข้างนอกถึงข้างในหมดเลยตับไตไส้พุงร่างกายเส้นกระดูกเอ็นอะไรต่างๆนานาเรียกว่าอาการสามสิบสองเรียกว่าทั้งหมดน่ะนังปังผือตับไตหัวใจอะไรก็แล้วแต่ภาษาศัพท์ทางธรรมเรียกว่าอาการสามสิบสององค์ขาพยบของร่างกายทั้งหมดา น, นั่นเป็นเรื่องของร่างกายร่างกาย แม่จะมีดีเอเอมีโครโมโซมมีมีเชื้อทางยีนนิทิกมียืดเชื้อทางภาษาไทยเขาไปเรียกยีนนี่แหละเป็นกรรมพันธุ์ซึ่งมันไม่ใช่มันเป็นสรีระพันธุ์ยีนหรือยีนนติกเนี้ยเขาไปแปลเป็นไทยว่ากรรมพันธุ์เกิดจากกรรมพันธุ์ที่เกิดจากกรรมไม่ใช่พันธุ์ที่เกิดจากการเชื่อมต่อการเกิดต่อ ทางสรีระทางทาธาตุของของอณุเตมีทางด้านาธาตุขององค์ขาพยบของของวัตถุขันธ์ของของร่างไม่ใช่ของจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณนี่ลึกซึ้งจิตวิญญาณจะเกิดของตนเองกรรมสกะตนให้ของเกิดการเป็นของตนเอง ร่างร่างก็คืออย่างหนึง่งจิตวิญญาณก็อีกอย่างหนึง่งร่างคือรูปประธรรมจิตวิญญาณคือนามประธรรมเพราะฉะนัะ้นอันนี้อาจมาก็ะท้วงอยู่ว่าไปแปลยีเนติกว่ากรรมพันนี้มันผิดมันต้องแปลว่าสรีระพั น, นเพราะฉนั้นมนกละเพียนกันมาใหญ่ทีนี้คำว่าการเกิดทางร่างกายเนี่ย การเกิดถ้าร่างกาย ส, สตรีดพันธ์เนี่ยมันไม่มีปัญหาใช่ไหมัมนก็เชื่อมต่อกันใครก็ทําได้คนไม่มีความรู้เลยก็ทําการเกิดนี้ได้สัตว์เดรัจฉานมันก็ทําการเกิดได้อะอะไรต่อะไรมันทําการเกิดได้อย่าว่าแต่การเกิดของเดรัจฉานแม้แต่พืชมันยังทําได้เลยเกิดการเกิดแบบนี้เป็นร่างเป็นสตรีระมันทําการเกิดอย่างนี้ได้ผสมพันธุ์แล้วก็เกิดได้ออย่างนี้เราก็ไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็ถือเป็นบุญบุญคุณด้วยที่ให้ร่างกายเรามาจากเชื้อพันต่อเผาต่อพันมาให้ให้เราได้เกิดเกิดร่างกายนี้จากพ่อแม่ร่างกายนี้เราก็มีจิตวิญญาณอาศัยร่างกายนี้เพราะงั้นเราได้ร่างกายนี้มาแล้วพ่อแม่ให้มาต้องใช้ร่างกายนี้ให้เป็นคุณอย่าให้เป็นโทษ ต้องให้เป็นบุญอย่าให้เป็นบาปต้องให้เป็นดีอย่างเราได้ร่างกายนี้มาแล้วแล้วใช้ร่างกายนี้แหละโดยวิญญาณโดยจิตวิญญาณเป็นตัวใช้จิตวิญญาณเป็นนายบะกายเป็นเบาร่างเป็นเบาเพราะเราต้องใช้มันให้มันเป็นประโยชน์กรรมกิริยาทางกายวาจาทาการงานอาชีพใดๆอะไรมันดีอะไรมันเป็นทุกต้องอะไรเป็นกุศล ต้องให้เป็นกุศลใจเราเป็นตัวบังคับใจเราเป็นตัวกําหนดถ้าเราไม่มีร่างเราไม่มีกรรมเราไม่ได้ทำอะไรทําทำอะไรไม่ได้ทำ่า้ก็อยู่ที่ใจของเราคิกบอบบาอยู่ใจของเราเป็นตัวคนเดียวเองก็จะรังจะรังหรือจะร่านแปลว่า อาการอาการเป็นพฤติกรรมเป็นอาการเกิดแล้วมันใจมันอาการของใจเท่านั้นน่ยมันก็ลูกนี้งไปอยู่ในใจใจมันไมเกี่ยวกับร่างเลยมันสมมุติว่ามันตายไปแล้วมันมีแต่ใจมันไม่มีร่างมันก็เกิดลูกนี้อยู่แต่ในใจของเรา เ, เองเอกจรังของตัวเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครเลยและไม่รู้ไม่เห็นกับใครด้วยแต่คนเข้าใจผิด เข้าใจว่าจิตพอตายไปแล้วเนี่ยมันไปเที่ยวเกี่ยวกับใครเหมือนเหมือนกับคนมีมีตาหูจูลิ่นกายอยู่ในโลกนี้เนื่องมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่อาตมาก็ที่บายให้ฟังแล้วแต่คนก็ค่อยเข้าใจยากเพราะว่าเขาเข้าใจว่าตายแล้วก็เหมือนกับเป็ น, นอย่างเนี้ยนี่ยว่าแต่เหมือนอย่าง ง, งี้เลยมีร่างหน่วยมีร่างตายแล้วยังมีร่างเดินทุ่นทุทุ่ทุ ท, ท, ท, ทออกไปจากร่างกายมันเอคนนี้ตายหน้าตาก็เหมือนคนเนี้ยตายเรื่องไปคนนี้อล้วมันไปเปลี่ยนหน้าตาตอนไหนกันวะใช่ไหม เพราะว่ามันเกิดใหม่มันต้องหน้าตาใหม่อีกทีใช่ไหมมันจ ะ, ปะเปลี่ยนตอนไหนอ่ะมันไม่ถูกแปลงพ่อแม่ไปแปลงให้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแตอ่อาจจะพ่อแม่แปลงให้เฮ้ยมันเกิดกรอัว๋วเอาต้องเอารูปร่างของอัว๋วพ่อแม่ก็เลยเอาแบบของพ่อแม่ปั้นออกมาเป็นรูปร่างของพ่อแม่อส่วนของพ่อแม่เอาก็ได้อธิบายได้น้อกว่าไม่แปลกอะไรทีเทตมาต้องการจะอธิบายนี่ก็คือต้องการจะอธิบายให้เห็นว่า กายร่างร่างนะจมใช้คำสัรีระหรือร่างนั้นอย่างหนึง่งใจนั้นอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นร่างเนี่ยมันมันเกี่ยวเนื่องถ้าร่างมันทำนะโดยที่มันมีใจเป็นตัวกาหนดให้ทำร่างเองมันไม่มีใจเป็นตัวกาหนดมันทำไม่ได้มันทำเองไม่ได้มันทำเองไม่ได้มันจะเกิดกับองค์ประกอบเหตุปัจจัยอื่นเช่นกระดาษแผ่นนี้ นี่มันไม่มียินยานมันทําอะไรเองไม่ได้หรอกคนเอาน้ามาใส่มันก็จะยุ่ยคนเอาไฟมาจุดมันก็จะไหม้เผามันก็เปลี่ยนมันก็มีเหตุไอื่นมาช่วยทํามันก็เปลี่ยนไปตัวมันเองมันอยากจะไหม้ตัวมันเองไม่ได้มันทําไม่ได้มันอยากจะเปื่อยยุ่ยไปเหมือนเอาน้ํามาแช่ละลายทําไม่ได้มันทําเองไม่ได้เลยน่ะมันทําเองไม่ได้ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจิตวิญญาณเป็นตัวตั้งกําหนดแล้วก็ทําในนั้นร่วมด้วยกันนั่นถ้าอันนี้มันมีวิญญาณมันมีธาตุวิญญาณอยู่ในกระดาษนี้วิญญาณมันก็ทําให้ยุ่ยหรือทําให้อะไรอะไรไปจนได้ให้มันละลายให้มันไมหมอะไรก็แล้วแต่นี่เป็นต้นแต่มันไม่มียังไงมันก็มีวิญญาณอันนี้เนี่ยมันอุตุนิยามอ ย, าอย่างนี้เราเรียกว่าอุตุนิยามไม่จะผีชานิยาม ไ อ, อย่างงี้นี่มาจากส่วนของผีชันิยามนี่ตัดชีวะมันออกมาแล้วนี่คุดมันมาเลยเนี่ยหัวของแก่นตะแก่นตะวันเนี่ยเนี่ยเขาอธิบายว่านี่นะหัว น, นี้นี่เป็นแก่นตะวันที่เกิดจากอดินที่มันอปนทรายอ่มันก็เลยหัวเล็กดินร่วนปนซับฮะเออเกิดจากหัวดินเหนียวหัวเล็กนะ แน่นหัวเล็กแต่แนัน่นไอ้นี่มันหัวที่เกิดกับดินทรายร่วนปนทรายแง่งใหญ่หัวใหญ่ประั้นเออเขาก็อันนีคือการศึกษามันก็ใช่มันก็จะมีเหตุปัจจัยแวดล้อมที่มันทําได้แล้วก็พอเข้าใจนะถ้าดินเหนียวมันก็จะเป็นลักษณะนัน่นถ้าเป็นดินปนทรายมันก็จะเป็นหัวใหญ่ร่วนอ่าอะไรนี่มันก็พอเข้าใจได้น่าอย่านี้เป็นต้นพีชะมันมีพลังงานในตัวของมัน ต่างกันอุตุนิยามมันไม่มีพลังงานอย่างนี้อุตุนิยามไม่มีอะไรดินอย่างนี้เป็นต้นน้ํำไฟลมมันไม่มีมันเป็นอุตุนิยามพอไปเป็นพืชมันเริ่มมีล้วมีชีวะในตัวมันเองสั่งเองดูดเองไล่เองสังเคราะห์เองอยู่ในตัวของมันนี้เป็นต้นนะทีนี้พอเป็นจิตวิญญาณสูงกว่านี้อีกสูงกว่าพืชอีกมีอารมณ์ มีเวทนามีวิญญาณโอ้มีอารมณ์โกรธอารมณ์โลภอารมณ์รักอารมณ์หลงอะไรไปเลอะเลอะใหญ่เลยทอน น, น, นี้นี่นะเพราะงั้นสิ่งที่ยังไม่มีวิญญาณครองเรียกว่าสิ่งที่เป็นอนุ ป, ปาทินกะสังขารสังขารที่ปรุงแตง่งกันขึ้นตั้งแตง่ดินน้ำไฟลมจนกระทั่งถึงพืชมันไม่มีวิญญาณครองมันก็ไม่มีกรรมมันมีวิบากเพราะมันทำบาปทำบุญไม่เป็น มันไม่มีอะไรต่อเนื่องเป็นบาปเป็นบุญเชื่อมต่อไปอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติมันไม่มีตายแล้วมันก็ศูนย์แต่มันเลิกแต่ไอ้จิตวิญญาณนี่เรียกว่าสัตว์เนี่ยพลังงานที่เป็นวิญญาณเนี่ยมันมีพยาบาทมันมีรักรดูดดึงพัวพันผูกพั น, พพนโอ้เป็นนานับชาติเลยแต่เนี้ยไม่รู้ชาติไหนแต่ชาติไหนเนี่ยถ้าจะพยาบาทก็จะฆ่าตามฆ่ากันห้าร้อชาติอย่างน้อยไปอ้ย พูดก็เมื่อยแล้วรักก็ไม่ให้รักกันจางจะต้องรักกันนิรันดรโอ้โหไม่เอาไม่เอาหนะาห้ร้อชาติไม่เอาเอานิรันดร์เลยนะจะรักกันนิรันดรแต่เพื่กลักันปั้งขึ้นมาเฮ้ยนิรันดรไม่เอาแล้วนะเอามันจริงนะสักวาระหนึ่งมันไม่มีนีมันมัม่เที่ยงแท้หรอกสักวาระหนึ่งก็ชัางก็แยกกันนิรันดร์ก็ไม่เอาแล้วนิรันดร์เปลี่ยนแปลงไม่นิรันดร์ละอ่า มาที่ใดที่ใดก็จะตีรันฟันแทงกันแล้วตอนนี้ <c oughs> ไม่นื้อรันดอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วก็คือสิ่งเหล่าใดที่มีวิญญาณสิ่งนั้นเป็นชีวะในระดับสัตว์สิ่งใดที่ยังไม่มีวิญญาณก็เป็นระดับพืชและดินน้ำไฟลมเอาทีนี้วิญ ญ, ญาณ น, นี่แหละมันมีการเกิดการดับอีกเหมือนกัน แล้วมันก็มีแม่มีพ่อเหมือนกันฟังดีๆนะตอนนี้แม่พ่อพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกุลเนี่ยแม่แม่มีพ่อมีคำว่าแม่มีพ่อมีที่หมายถึงเรื่องของร่างกายร่างตัวตนเป็นแม่เป็นพ่อไม่มีใครสงสัยหรอกใช่ไหมขนาดสัตว์ในไร่ชานมันยังรู้เลยตัวนี้เป็นแม่มันตัวนี้เป็นลูกมันมันรู้ สเดลชาญรู้จำได้เดียวคนเด้โอ้โหอย่างในฝูงของออาตมาเห็นในฝูงของข้างข่าวโอ้โหมันเป็นล้านตัวเลยนะบินไปหากินเสร็จแล้วก็บินกลับมาแบบป้นอยู่ในนั้นเละเอ้ยมันมันรู้ได้ไงว่าตัวไหนเป็นลูกเป็นแม่ของมันมันมันรู้อะไรมันรู้ตัวไหนเป็นแม่ตัวไหนเป็นลูกมันมันรู้หมดเลยนะไปหากันได้ อันนี้ไม่ใช่แม่มาแม่มันมันก็ไปมาอันนี้แม่มั น, ม, นมันมามนหากันได้สัตว์มันจะมีธาตุรู้ที่ลึกซึ้งคนก็มีได้ก็รู้ว่าใครเป็นแม่เป็นพ่อแล้วเราก็จะพยายามที่จะรู้ว่าหน้าที่ของแม่ทางรูปปกายทำพฤติกรรมทางกายวาจาอ้าวก็ทําให้ดีทีนี้แม่ทางวิญญาณฟังดีๆแล้วตอนนี้ตรง ใจอยู่ที่ไหนเอามาตั้งตั้งฟังเอาใจมาตั้งฟังนะเร็กสั้นๆมาตั้งใจมีใจอย่าเอาไปที่ไหนเอาไปที่อื่นมาตั้งอยู่ที่นี่อย่าไปเที่ยวใจอย่าเอาไปเที่ยวเอามาตั้งไว้ตรงนี้ฟังเอาหูฟังที่อัตมาพูดนี่อธิบายฟังนี่อันนี้แหละคาว่าแม่มี พ่อมีอ๋เอเราวละเว้นพ่อวันนี้เราวันแม่แล้วก็อธิบายแต่แม่ก็แล้วกันแม่ที่เป็นสรีระแล้วก็ไม่ยากเข้าใจได้ทีนี้แม่ทางวิญญาณแม่ทางวิญญาณนี่ก็คือเหตุปัจจัยแล้วเป็นตัวคนแล้วจะเป็นแม่ก็เกิดโดยธรรมชาติ อใครกับเชื่อผสมกันมันก็เกิดเองแม่ไม่รู้เรื่องหรอกตัวคนไม่รู้เรื่องมันผสมกันยังไงมันก่อให้มันเป็นปัญจาสาขาเป็นร่างกายเป็นตัวอะไรอะไรมาอย่างไงยังไ ง, ง, ไงทําให้เป็นหรอกใครทําเป็นเองมั่งอะเอามาต่อหัวต่อหางต่อหัวใจต่อไส้ต่อพุงต่อรูกต่อให้ลูกอะทําเป็นหรอไม่ทําไม่ได้ไม่มีใครทําได้มีแต่ธรรมชาติทําำธรรมชาติของร่างกายแล้วก็ เรื่องของทางทรีระทางอณุกตมีเนี่ยมันทำของมันเองแต่มันทําร่างกายของมันเองนะคนเองเก่งยังไงก็มาสร้างไม่ได้คนําลังทําหุ่นยนต์เพื่อที่จะสร้างหุ่นยนต์ให้มันเหมือนคนให้มันมีอารมณ์ให้มันมีอะไรตอะไรต่างๆนานาให้เหมือนกันเลยจ้างก็ทําไม่ได้เออจ้างก็ทําไม่ได้ไม่มีทางทําได้หรอก มันละเอียดลึกซึ้งเนียนในมากจนก็ทำได้ทำได้ประมาณหนึ่งแต่ให้เกิดความรู้สึกให้เกิดเวทนาให้เกิดการเอาเข้าก็สร้างสัญญาสร้างสังขารแต่ให้เกิดเวทนาให้เกิดเป็นบิญญาณนี่แท้จริงนี่นะเขาจะประดิษฐ์เรื่องธาตุวัตถุนี้ให้มันเป็นเวทนาให้มันมีอาการอารมณ์แล้วก็ให้มันมีบิญญาณ ธาตวิญญาณนี่คือความธาตุรู้ที่รวมหมดเลยทั้งเวทนาสัญญาสังขารเขาทาไม่เสร็จทําไม่ได้อสุดเปล่านักวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะทำเขาเอาเถอะมันก็ได้ประมาณหนึ่งได้ขนาดหนึ่งแต่มันจะมีประโยชน์บ้างทําอะไรได้แต่ไปสร้างความรู้สึกกันมาว่าไม่จําเป็นความรู้สึกของคนนี่มาเรียนรู้แล้วก็มาทำทำให้เป็นความรู้สึกที่ดีดีกว่าดีกว่าจะเอาเวลาไปคิดสร้างในวัตถุเป็นความรู้สึกคนนี่เป็นความรู้สึก แล้วมันเรวได้ดีได้อ่ามันเร็วได้ดีได้เอราั้มันก็ตัวเองเป็นตัวกำหนดดีกำหนดเร็วแล้วก็สั่งสมสร้างสิ่งดีหรือสิ่งเร็วให้แก่ตัวเองเอาทีนี้มันพาเกิดทงางวิญญาณได้อย่างไรพระ พ, พุทธเจ้ามีพฤติกรรมเรียกว่าวิญญัตารูปหรือปจจีวิญญัติอ่า เป็นกายวินยัตกับวจีวินยัตเรียกว่าอาการอาการเคลื่อนไหวของร่างกายขององค์รวมกายวินยัตมีกายวาจาใจมีนัตจักคีตะวาธิตะในทาทีลีลาเป็นเป็นแม่เป็นพ่อเป็นตัวสอนเอาเราเป็นจะแม่กันแล้วกันสอนท่าทีลีลาเคลื่อนไหวแม่นี่คืออาการเคลื่อนไหวท่านเรียกว่าเป็นภาวะ อิทธิภาวะภาวะมีสองเหมือนกันอิทธิภาวะกับบุริสภาวะภาวะแม่กับภาวะพ่อนี่แหละภาวะพ่อนี่เป็นภาวะที่นิ่งเนียนสูงจบสุดอ่าภาวะพ่อส่วนภาวะเป็นเอกภพภาวะเอกส่วนแม่นั่นยังมีภาวะสองยังมีเววาต่องแต่งตุ้งติ่งลุกดิกดมีว่คเคลื่อนไหวยังมีกระดุกกระดิกมีอะไรอะไรเนี่ย มีภาวะการงอนกันงันการคลอนกันปรลับประเลือกอะไรพวกนี้ยปริเทวนาการยังมีการไม่รู้แล้วไม่รู้จบไม่รู้หยุดนะปริเทวนาการจุงติดตัวไม่รู้จกแล้วมันย้จะจอเที่งนี่คืออิทธิภาวะทั้งสิ้นซึ่งเป็นภาวะรองเป็นภาวะที่ไม่จบแต่เป็นภาวะเคลื่อนไหวเป็นภาวะเคลื่อนไหวมีประโยชน์ภาวะหยุดก็มีประโยชน์ภาวะจบหยุดก็มีประโยชน์ ภาวะเป็นหนึ่งเดียวสมบูรณ์จบก็มีประโยชน์แต่ภาวะสองก็มีประโยชน์ภาวะสองก็เกิดการสังเคราะห์เกิดการทํางานร่วมกันเกิดการสร้างสารรค์เกิดการก่ อ, กอความมีส่วนภาวะหนึ่งนั้นก่กอความไม่มีสูงสุดความไม่มีแต่ในภาวะหนึ่งมีความมีด้วยนะในาภาวะปุริสภาวะนี้มีความมีด้วยเอาละพักไ ว, วก้ปุริสภาวะกับอิทธิภาวะพักไว้มาเอากรรมกิริยา มาเอาเรื่องของภาวะที่ยังเป็นดีลาที่จะต้องอ่านที่จะต้องเป็นการเป็นพฤติกรรมเป็นจรณะหรือเป็นพฤติออกมาเป็นให้เป็นประโยชน์ให้คนอื่นรับรู้ให้คนอื่นเอาไปเรียนตามเอาไปปฏิบัติตามเช่นพระพุทธเจ้าแสดงอาการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเป็น kinetic energy อ่าหรือเป็นพลังงานจรณะอ่าเป็นพลังงานจรณะ เป็นพลังงานดนามิกเคลื่อนไหวเคลื่อนที่พลังงานเคลื่อนที่ก็สามารถที่จะทําพลังงานเคลื่อนที่ที่เป็นกุศลที่เป็นประโยชน์พลังงานเคลื่อนที่หรือกรรมกิริยาเนี่ยเป็นประโยชน์ก็มีเป็นโทษก็มีพระพุทธเจ้าท่านไม่ทําเลยที่เป็นโทษท่านทำแตกรรมกิริยาเป็นประโยชน์ท่านมีอิทธิภาวะท่านมีกรรมกิริยาใช่ไหมมีาการเคลื่อน แต่ท่านไม่ทำสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยแล้วก็เป็นการทำให้ดูการทำให้ดูในกริยาเรียกว่าอิทธิภาวะเป็นองค์รวมทั้งกายวาจาใจเรียกว่านัจคีตวาธิตะมีท่าทางท่าทีลีลาของกายแล้วก็มีสุ่มเสียงสำเนียงเรียกว่าคีตมีภาษาคำพูดเรียกว่าวาทละวาทิตะ เอามาประกอบกันเป็นองค์ประชุมของการสื่ออย่างอาตมากาำลังทําเนี่ยโหมีไม้มีมือมีท่ามีทางเอียงคอเอียงแคนมีหน้ามีตาสีหน้าสีตาอะไรต่างๆนานานี่เดวท่าทางนัดจับถ้าเอาเป็นประดิบประดอยก็จาเป็นลาเป็นฟอนก็ได้ก็เป็นท่าทางเงินก็นัดจาก็ก็เรียกเป็นลำฟอนไอ้น่มันไปใหญ่แล้วไอ้นี่มันก็ทา่าทางแต่ว่าท่าทางอันนั้นมันประดิบประดอยเพื่อที่จะให้ ดูงามดูสวยดูหลอกล่อไอ้นี่ไม่ไอ้นี่เป็นท่าทางจริงใจท่าทางธรรมชาติท่าทางสุจริตที่จะประกอบนี่สื่ อ, อทำให้เข้าใจอะมันจะมีเส้นคนเราจะมีความความรู้ทธาตรู้ที่อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้เข้าใจอย่างนี้อย่างนี้มันเข้าใจได้ทั้งนัดจะทั้งซุ้มเสียงสเนียงที่ประกอบเอามาผสมรวมกันเรียกว่าจัดองค์ประกอบ นะเรียกว่าจัดองค์ประกอบเรียกว่า composition จัดองค์ประกอบขึ้นมาให้มันเป็นท่าทางมีภาษาดีลามีสุ่มเสียงสำเนียงขีตะสุ่มเสียงสำเนียงกีตัดหนักบัง่งเบาบ้างนะอย่างง้นมัน่งอย่างงี้บั่งอะไรล่าทางดีลามีหลายดีลาของภาษามันก็จะมีการเคลื่อนไหวของภาษาก็วัจจีวิญญาณนะเขาเรียกว่าวิจีวิญญาณความเคลื่อนไหวของไม่มีท่าทางร่างกายน่าจะ มีแต่สุ่มเสียงภาษาเสียงสมเนียงเฉยนั่นเรียกว่าขีตวาทิตต์มีแต่สุ่มเสียงกับภาษาก็เรียกว่าวจีวิญยัตคำพูดถ้ากายวิญยัตหมดเลยทั้งนั้นจากขีตวาทิตต์รวมกันหมดเลยพร้อมหมดเลยรวมกันก็เป็นอาการเคลื่อนไหวที่ให้คนรับรู้ได้เอาไปเป็นแบบอย่างไปเป็นตัวอย่างให้ทำตามแล้วก็เกิด เกิดความชนานาญเกิดความเป็นไปได้ประพติอย่างนี้เป็นตามนี่ดีอย่างนี้ได้เกิดความชนานาญตามได้ลีลาการเกิดสอนตามลีลาที่มีความประพติที่เป็นคณิตกิจหรือเป็นไดนามิกอันนี้แหละคืออาการของแม่อาการของแม่เรียกว่ากายวิญญาต์วจีวิญญาติจากใจใจพระพุทธเจ้าท่านเป็น ปุริสภาวะแล้วแต่ถ้าแสดงออกนี่เป็นอิทธิภาวะเป็นภาวะการเคลื่อนไหวให้รู้ได้ อ, อ้าวันนี้ฟังดีๆนะอาตมาอธิบายธรรมะจะขยายเจาะคำว่าแม่นี่ลึกๆแล้วก็ เ, กเป็นปรมตินี่เรียกว่าปรมัตินี่เป็นอาการของใครก็ได้ผู้ชายก็ทำได้อย่างบอกแล้วพระพุทธเจ้าก็ทำได้ ผู้หญิงผู้ชายทำได้ฉะนั้นเป็นอาการที่สอนให้เรียนรู้ตามแล้วก็ไปพึ่งพิตามเราก็เกิดเกิดพฤติกรรมเกิดความชํานาญเกิดความชินเกิดนิสัยจนฝังเขาเป็นวิสัยเกิดเป็นเราสยะนี่แปลว่าตนเองนิสัยนี่เขาเลื่อนใส่เข้าไปเรื่อยๆเพราะวิสัยนี่เป็นอย่างวิเศษเลยเป็นอย่าง แก้ไขยากแล้วแก้ไขไม่ได้ง่ายแล้ววิสัยนะท่านิสัยเนี่ยยังพอแก้ได้แต่ก็แก้พอได้แก้ยากเหมือนกันนะถลงเป็นนิสัยนี่ก็อีกตัวเองพอได้เลยนะถ้าเป็นวิสัยแล้วนี่โอโ้โหเปลี่ยนหลายกลับหลายกันเลยนะถ้าเป็นวิสัยถ้านิสัยนี่ก็เปลี่ยนเป็นชาติชาติแก้ได้ไม่นอ้ออ่าพอไงก็ต้องสั่งสม พระอาการที่สอนด้วยการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นแม่ความเป็นแม่เนี่ยอธิบายเรื่องความเป็นแม่ให้ฟังจะ ก, กันจะได้ความสมบูรณ์เรียกว่าพอ่อ่วันนี้เราล ะ, ละความเป็นพ่อไว้ก่อนเราอธิบายความเป็นแม่นะเพวันการที่พากันเกิดอย่างนี้ยความเป็นแม่เรียกว่ามาตานใน สังกัปปะอมจัยสังกัปะในทิฏิในทิฏฐิสิบเนี่ยทิติข้อเจ็แม่มาตาจะมีผลอย่างไรนัตถิไม่มีผลอัตถิมีผลมันมีผลที่จะนำพาให้เกิดดีให้เกิดชั่วได้เพราะฉะนั้นผู้ที่มีปัญญาก็จะต้องสร้างความเป็นแม่ สางกายกรรมวจีกรรมมาจากมโนกรรมของตนเองนะ่มะมโนกรรมเนี่ยเป็นตัวพ่อนะวจีกรรมกับกายกรรมเนี่เป็นตัวแม่มีความเคลื่อนไหวมโนเป็นตัวพ่อนะกายวัจีนี่เป็นตัวแม่จากพ่อนี่มังให้อะกการเคลื่อนไหวคณิกหรือดนามิก หรือเคลื่อนออกมาเป็นพลังงานจนพลังงานเจลนะิะแล้วก็มาเกิดอาการลีลาทั้งหมดเป็นบทบาทเป็นพฤติกรรมการกระทําขึ้นมาเพราะการกระทาใดๆที่มีต้นรากต้นเงามาจากพ่อที่ดีแล้วก็ใช้เทลิทใช้ชอานาจใช้วศีอันมีทําให้เกิดทงางวัจจาัให้เกิดทางกาย ดีตามก็สาเร็จความเป็นแม่เป็นพ่อสอดคล้องกันถ้าแม่กับพ่อทะเลาะ ก, กันแม่นะ่มีเจตนาดีแต่ข้างนอกจะทำแต่ทำไปแล้วก็ไปถูกอันนั้นดันไปถูกอันนี้แยงไปถูกอันนี้ต้านไปถูกอันนี้มีอานาจเหนือเปลี่ยนแม่เจตนาจะทำดี แต่เราไม่มีรีดไม่มีแรงจะต้านพลังงานข้างนอกได้พลังงานข้างนอกก็ทำให้เราทำไปอย่างที่ข้างนอกมันมันผลักดันเหมือนสนามแม่เหล็กที่มันแรงเราเป็นเหล็กอ่อนเป็นโมเลกุล น, น้อยตกเข้าไปพวกนี้อำนาจแม่เหล็กอันนี้มันเอาเราไปเป็นแบนนั่นหมดเลยนี่ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างอำนาจพ่อให้เก่งมากจนกระทั่งส่งออกมาเป็นแม่เก่งกว่าไอ้ข้างนอกมาเลย นี่แหละคือฤทธนิพพานฤทธเหนือโลกลิธโลกุตระเพราะโลกโลกีมันจะหยากมันจะแข็งมันสนามแม่เหล็กเท่าไหร่โมเลกุลของเราก็เป็นโมเลกุลเอกเอกะขจิตเอกเอกเอกเอกขตาจิตแข็งแรงเหนือไม่เป็นไปตามเลยนี่คือที่สุดที่สุดเพราะจะจะออกมาเคลื่อนไหวตามมีบทบาทของแม่ก็จะเป็นบทบาทลีลาการประพฤติ ที่เหนือชั้นกว่าชาวโลกที่เขาเป็นอยู่ซึ่งอันนี้ลึกซึ้งซับซ้อนนะเพราะนั้นการเกิดทางจิตวิญญาณที่จะมีพลังอำนาจดังกล่าวนี่แหละทำให้จิตวิญญาณเรานี่สามารถที่จะมีทั้งความรู้ว่าจะให้ประพฤติอย่างไรทั้งมีแรงให้กายวาจาใจนี่เป็นตามที่เราต้องการ แลกให้มีทั้งอำนาจสูงกว่าโลกเขาเป็นโลกเขาเป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างโลกก็ได้ถ้ามันดีถ้ามันไม่ดีเราไม่เป็นด้วยก็เป็นดีกว่านั้นอย่างนี้เป็นตน้นมีทั้งปัญญาตัดสินว่าดีกว่าที่ถูกต้องแล้วก็เป็นดีนี้ได้ด้วยนี่คืออานาจสูงสุดโล ก, กุตรจิตโล ก, กุตรจิตอานาจพอ่อ แล้วก็ออกมาแสดงเป็นแม่เพราะฉะั้นแม่กับพ่อไม่ได้แยกกันแม่กับพ่อไม่แยกกันอยู่ที่ว่าอํานาจสูงสุดเป็นอํานาจเอกคติจิตเอกคตตาเอกคตจิตจิตที่มันสร้างจิตให้สมบูรณ์เก่งได้แค่ไหนเป็นพลังวสีอํานาจดีสัมผัสสามารถก็ให้แม่เป็นวจีเป็นกาย กายกรรมวจีกรรมออกมาข้างนอกเป็นกายวิญญาตเป็นวจีวิญญาตออกมาข้างนอกเพื่อจะเป็นตัวเกิดเป็นตัวบทบาทลีลาให้คนอื่นได้รับการรับรู้คนมีดวงตาคนมีปัญญาโอ้ครับกรรมอย่างนี้ต้องทําตามความประพฤติอย่างนี้ต้องทําตามซุ้มเสียงสำเนียงอย่างนี้ต้องทําตามเป็นวจีวิญญาตโอ้ปฏิบัติตามมีปัญญาตัดสิน เราเอาตามล้วก็เกิดแล้วก็เกิดตามนั่นแหละตามที่เราเห็นเรารู้เป็นแม่เป็นพ่อเพราะฉะนั้นแม่พ่ออย่างนี้เกิดจากกรรมกิริยากรรมทางกายกร ร, กรรมทางวาจาที่ผู้นี้ปฏิบัติประพฤติต่อทอดกันเชื่อมต่อกันแล้วก็เอาเองนะคุณเห็นคุณก็เห็นในคำดีๆก็เห็ น, หนไม่เอาเราไปเอาครมีของคนไม่ดีนน่น ก็อิสระเสรีภาพของใครของมันเพราะฉะนั้นคุณจะเอาใครเป็นแม่คุณก็จะในคนนั้นแหละคุณก็จะเป็นลูกคนนั้นแหละเอาอย่างเขาเอาอย่างที่เคลื่อนที่เรียกว่าแม่ที่ไม่เคลื่อนที่แต่เป็นอำนาจที่เป็นสงบนิ่งเป็นเอกแล้วคุณอ่านออกยากไม่กระดุกกระดิกในี่คุณอ่านยาก แม่ในทําทีเป็นนิ่งได้เหมื่อกันนะแต่ยากเมื่อกันแต่นิ่งก็ไม่ค่อยเหมือนดุกดิกแม่เนี่นิ่งกับดุกดิกไม่ทนไม่นานด้วยคือมีสภาวะรองจากพ่อพลังงานที่รองจากพ่อจากความเป็นบิดาจากความเป็นปุริสภาวะกับบิดาอิทธิภาวะก็เป็นมารดาเพรา ะ, ะนันมารดาที่ว่านี้มันจึงไม่ใช่เรื่องของตัวตนบุคคลเราเขา ถ้าตัวตนบนคนเราเขาแล้วก็ง่ายจบแต่แม่ทางจิตวิญญาณนี่แม่ทางจิตวิญญาณที่พูดนียจึงยากคนเข้าใจทิฏฐิสิบแม่มีพ่อมีไม่ง่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีใครเห็นอธิบายออกมาให้เข้าใจแล้วก็ไปประพฤติกันได้เลยญาตมาก็เข้าใจและรู้จากภูมิตนเองเก่า นี่ไม่ได้อ่านมาจากตำราเพราะยังไม่เคยเห็นมีตำราที่ไหนเขาเขียนอย่างนี้แม้แต่ในปฏิปปบอาตมาก็ยังไม่เจอพระเจ้าท่านตรัสอธิบายารายละเอียดอย่างที่ว่านี้ไว้ที่ไหนนะใครเห็นก็ออกรวบรวมมาให้ด้วยนะแต่อาตมาอธิบายถึงมั่นใจว่าไม่ผิดอธิบายสู่ฟังนะเพราะงั้นเมื่อมีแม่แม่ก็ทําให้มีการเกิดนะ แม่ก็มีมีการทำให้เกิดแม่แหละเป็นคนฟูมฟักพ่อก็ช่วยแต่พ่อก็ช่วยอย่างพ่ อ, อช่วยอย่างลักษณะหนึ่งปุริสภาวะแม่ก็ช่วยอย่างลักษะหนึ่งก็ช่วยกันเช่นศีลเราไปถึงบัญญัติศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อฟังแล้วนาคนาสุขสงสัย ถ้าเอาลักษณะของลีลาของความเร็วของปัญญาของความคิดเนี่นะแม่ในความเร็วของความคิดเกง่งเร็วแต่ไม่ค่อยรอบแม่เนี่ยเร็วคิดได้มากคิดได้เยอะคิดสารพัดแต่เรียบเรียงรวบรวมเอาที่เฉพาะรุมไม่รุมรามไม่เฟอไม่เกินไม่เฟอร์ฟ้ายากแม่เนี่ยังเฟอร์า เ, เยอะแยะ ยังอาตมานี่มีภาวะเห็นความเป็นแม่อยู่เยอะอยังเก็บไม่ค่อยละเอียดเพราะฝะเยอะแยะเนี่ยมันมากนะส่วนพ่อนี่อี่ยงตัวได้สัสดส่วนได้อะไรอะไรยอย่างดีแข็งแรงเมนมากแล้วก็ไม่ได้ไปไปทำอะไรอิเ็กเอกะทําอะไรทีนึงก็เป็นโลเป็นพายทำอะไรทีนี้ก็เป็นเป็นท่าเป็นทีที่ชัดเจนนะทีนี้ในลักษณะของแม่ที่ว่าเนี่ย ถ้าเราเข้าใจแม้กระทั่งถึงว่าศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อกำหนดศีลก็คือตัวกำหนดแต่กำหนดทางนอกกำหนดทางบัญญัติกำหนดทางรูปร่างกรอบขอบเขตที่เราจะปฏิบัติเอาแค่นี้เอาเท่านี้เอาตามนีเ้เอาตามนี้นะเราจะไม่ฆ่าสัตว์คนที่เขาเขาทูลศีลแค่ไม่ฆ่าสัตว์เขาจึงกินเนื้อสัตว์อยู่ก็มี คนจะเอาสูงขึ้นมาไม่กินแล้วเนื้อสัตว์แต่คอยกินนมกับไข่นะก็มีเขาก็ตีกรอบอของไข่ของมันอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาก็เกเรียกว่ากำหนดศีลกำหนดกรอบขอบเขตของตัวเองเอาตามเหมาะและก็เจตนาตั้งใจปฏิบัติให้มันรู้กิเลสว่าเรายัางมีกิเลสนะที่เราอนุโลมนี่ยังมีกิเลสอ่า แล้วก็ต้องล้างกิเลสนั้นให้ได้เพราะได้แล้วก็เออได้แล้วก็เพิ่มศีลเรียกว่าทิศศีลเอาและตอนนี้เราดีละไม่กินเนื้อสัตว์ได้แล้วก็พออนุโลมตัวเองกินนมกินไข่อยู่ต่อมาเออกดีแล้วละไม่ต้องก็ได้แล้วก็เพิ่มเคร่งขึ้นอีกเป็นอธิศีลไม่กินละนมไม่กินแล้วไข่อันนี้ก็เป็นต้นมันก็จะเจริญขึ้นไปตามระดับตามกรอบที่ตัวเองมีอธิศีลติดคา ในตัวที่จะรู้ว่าเราได้ไม่ได้ทำได้ไม่ได้คือใจคือปัญญาเป็นตัวกาหนดปัญญาเป็นตัวควบคุมเป็นตัวบง่งตัวชี้ทั้งเป็นอำนาจของปัญญาต้องเอาให้ได้นะต้องเอาอย่างนี้ได้นะไม่ได้เสียนะไม่ได้ไมนเจริญ น, นะอะไรเนงะี้ยก็มีตัวปัญญาควบคุมอย่างทั้งตามได้ตามศีลนั้นศีลนั้นศีลนั้นศีลนั้น นี่ก็เป็นนัยยะของตัวมีผู้คุมก็มีตัวผู้ประพฤติเพราะสีก็คือต้องประพฤติตามกรอบที่ตัวเองตั้งตามขนาดที่ตัวเองทํามเมาะอันดัมาะสเลื่อนไปตามรูปแบบที่อธิบายสูฟังยกตัวอย่างเล็กน้อยตั้งกินเนื้อสัตว์แล้วก็เลือกกินไข่กินนมก็ค่อยๆลดลงมาจนกระทั่งไม่มีนมไม่มีไข่ไม่กินเลยเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงีนต้น หรือแม้แต่พืชผักเราก็ไปติดพืชนั้นพืชนี้ติดอย่างน้อ น, อ ย, นอย่างนี้อย่างนี้อร่อยอย่างนี้ถูกปากอย่างนี้ไม่ถูกปากไม่กินอะไรแล้วก็รู้ว่าอะไรมันมีธาตุที่มันสมควรธาตุที่เป็นประโยชน์ไม่ถูกปากมันธาตุเป็นประโยชน์ก็เก้นธาตุอะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์ถูกปากยังไงก็ไม่เอ้าลองละเว้นดูเรียนรู้ไปก็จะลดละกิเลสไปตามลำดับ น, นะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจว่าโอ้ไม่จะพึ่งมันแร้วไอ้ลดลด ที่อจะอร่อยที่ต้องการเนี่ยมันบังคับเราเนี่ยเราไม่ตามใจมันก็ได้ไม่ตายเพราะอันอื่นมันมีแทนอันนี้ไม่เอานี้อยู่ในอันนั้นก็มีโอ้ถ่าอันนี้อยู่ใน น, นี้เยอะแยะนะเรียนรู้โภชนาการหรือว่าเรียนรู้สิ่งที่จะต้องใช้เป็นอุปโภคก็ตามบริโภคก็ตามเอานั้นใช้แทนเรานี้นใช้แทนก็ได้อะไรนี้เป็นต้นอยู่ที่ความพอเหมาะพอดอีพอเหมาะพอสม แม้แต่มักกับโพอดชงมักแปดกับพอดชงเจ็ดมาเข้าคู่กันช่วยให้คนปฏิบัติประพฤธรรมให้มันลุกมักแปดเป็นแม่พอดชงเป็นพ่ออย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องเข้าใจวิญญาตเข้าใจอาการอาการอย่างนี้เรียกว่าพอดชงอาการอย่างนี้เรียกว่ามักมักก็คือฐานปฏิบัติ ทางปฏิบัติมีอะไรบ้างมีอาชีพมีกรรมกรมมันตะการกระทำทุกอย่างกรมมันตะมีกายกรรมมีวจีกรรมมีมโนโเป็นประธานเราก็รู้สังกปะวาจากรรมมันตะอาชีพในมักมันอะไรบ้างอะสังกปะถ้าจะลึกลงไปอีกก็ต้องไปรู้จากสังกปะเจ็ดสังกปะเจ็ด วัจีมันก็มีซีแบง่งออกไปที่มันไม่ดีอ่ ะ, อะมันเป็นวัตจีเป็นคําหยาบเป็นคําโป๊ปดเป็นคําหยาบเป็นคำซอเศียดเป็นคาํา เ, เพอร์เจอร์อะไรงี้มันต้นแบบแปะเป็นไทยแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ดีเราก็ต้องไม่เอาเปลีป่ยนแปลงวัจีวิญญาตอาการอย่างนี้เรียกว่าอาการโกโหกของวัจีวิญญาตอาการอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้ออกไปอย่างนี้มันหยาบ อย่างนี้มันสอเสียดอย่างนี้มันเพอ้อเจอ้อแล้วก็ละเวน้นไม่ทำแล้วก็ดูว่าถ้าเราไม่ทำแล้วเราเจะตายไม้มถ้าไม่ทำนี่มันจะเจริญได้ไหมได้ไหมไม่ทำไม่ปดเออไม่หยาบไม่เพอ้อเจอ้อไม่สอเสียดจเจริญได้ไหมเห็น ไ, ไหมเพราะงั้นเราก็มาพิจรารณาเออเราไปทาทาไมแล้วก็มันไม่ดี สากล น, นะอันนี้มันรู้ทั่วโลกอ่ะสากลไม่ใช่ไม่ใช่ใชาศาสนาเดียวทุกาศาสนาก็รู้ต้องอันนี้ตรงกันหมดแหละเพราะงั้นเราก็ไม่ต้อไม่ต้องทำงดเว้นละจนหยุดจนทําไม่เป็นเอยทําหยาบทําไงทําไม่เป็นปดเป็นไงปดไม่เป็นมีแต่ซื่อตรงปลดไม่เป็นโอ้โหคนปลดไม่เป็นเนี่ย ตักดานนึงนะเขาว่าโง่ดักดานจะปดไม่เป็นทำไมมันบื้อขนาดนั้นเอยนะมันพูดเลี่ยงไปนิดหน่อยก็ได้แ เ, เลี่ยงนะี่คือปอดแหละปลดนิดนิดห น, น, น, น, น, นึ่งแล้วอ่าเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอาการวจีวิญญัตลีลาของการพูดว่าพูดอย่างไรมันไม่ถูกไม่ดีองรวมกายวิญญัตอาการนัจากคีตาวาิตารวมหมดเลยองประชุมก้องลักษณะพวงนี้เลยว่า อาการประกอบท่าทีลีลาส่งเสียงสำเนียงเป็นสิ่งเสือกไปแล้วก็อ่านอาการออก่าอย่างนี้มันเป็นมิจฉาอย่างนี้เป็นของไม่ดีอย่างนี้มันดีเราก็กําหนดแล้วก็กทำไม่ได้มาจากใจเป็นตัวรู้และมาจากใจเป็นตัวกําหนดให้เป็นเป็นพฤติกรรมทางกายวาจาใจตามสังกปะวาจากรรมันต์ตาอาชีวะที่นี้ลึกก็ไปที่เป็นผู้ควบคุมจริงคือโพชงเจ็ด ต้องมีสติควบคุมต้องมีทํามาวิจัยควบคุมต้องมีวิริยะภาพเปลียนควบคุมไม่ได้ดังที่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นมิจฉาอะไรเป็นสมัมมามีวิจัยทำรรมวิจัยให้ชัดชั ด, ช ด, ชดแล้วทาไม่ได้ทําให้มันเป็นกุศลทําให้เป็นสัมมาทําให้กุศลทําให้เป็นสมัมมาทำให้มนกุศลทำให้งาโดวยวิรยิยะพอทําได้ทีหนึ่งไอ้วิริยะทําไปได้ไอ้อกุศลมันก็หยุดกุศลมันก็ดี ทำได้ทีหนึ่งเออเข้าตาก็งดไอ้อกุศลได้ก็เลยว่าหยุดสงบปสัสจัธิพิโพธงมันก็เป็นปสัสจัติิสมโพธิงขึ้นมาแล้วก็ทําอีกโอ้ก็ปิติดีใจทําได้ก็ดีใจทําได้ก็สงบลงทําได้ก็สงบก็ปิติก็ดีใจปิติปสัสจัติพิสมโพธิมขโ้นมา ใจเราก็ทําใจเราเป็นตัวสติก็ทำมามีใจกับวิรวิยะสามตัวนี่แหละพจจงสามนี่เป็นตัวเป็นตัวหลักเป็นตัวประพฤติหลักเป็นตัวทํางานหลักเลยทําได้มันก็เออดีเราทําได้ดีใจแต่ก่อนโลภได้ดีใจตอนนี้ลดความโลภได้ดีใจมันดีใจกับคนดีแล้วตอนเนี้ยอันหนึ่งดีดีอันหนึ่งดีแตกอออันหนึ่งดีดีอันหนึ่งดีแตก ดีใจว่าถอดสมความโลภอันนึงบอกเฮ้ยลดความโลภลดความโลภได้ดีใจปิติก็ต่างกันมันดีใจเหมือนกันดีใจมันสมโลภดีใจมันตบมันได้สักทีงีดีโหสมใจเลยดีใจไอ้ น, นี่บอกเฮยตบเขาหยุดหยุดอย่าไปตบเขาไม่ดีนะงดไม่ตบเขาได้ดีใจปิติกันคนละปิติปิติเหมือนกันดีใจเหมือนกันแต่ปิติโพดชง พิธีสัมโชฌงค์มันไม่เป็นปิติโลกีปิติโลกีเนะี่ยมันสมใจชั่วๆผิดๆยังไงก็ดีใจไปตะพื้นนะหรือแม่ดีใจทางโลกีได้สมใจที่มันสุจริตก็ตามมันก็กลายเป็นเทวดาหลอกลองให้ติดให้ยึดอีกเราอนามละเอียดขึ้นไปเป็นอุ ป, อปกิเลสเอาไว้ก่อนทีนี้พอเราสามารถที่จะใช้โพชฌงค์ในดย้ยพิติปฏิสัตย์สมาธิกส็สังสมลงเป็นกิต ตึกตกผลึกลงเป็นนั่นแน่นแนบแ น, แ, น, แ, น, แ, นแข็งแรงขึ้นเป็นสมาธิจนกระทั่งถึงยอดของสมาธิหรือฌานก็คืออุเบกขาขออธิบายรัตประมัติตัวนี้นะก็จะเป็ น, ปนอุเบกขาสัมโพธิจงสรุปแล้วโพธิจงเป็นตัวแข็งแรงเป็นตัวคุมการประพฤติกว้างๆมากก็แค่เป็นทางปฏิบัติเป็นองค์ความหมายอาชีพการกระทำบัญชี การจริงๆแล้วตัวโพชงนี้จัดการสังกปะโพชงนี้จัดการสังกปะพอสังกปะสำเร็จก็ออกมาเป็นลุกดิ ก, กออกมาเป็นอิทธิภาวะเป็นวจีเป็นกรรมกายกรรมกรรมต่างๆจนกระทั่งถึงการงานอาชีพอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเราจะเข้าใจว่าเออถ้าจับคู่มรรคกับโพชงอะไรเป็นแม่อะไรเป็นพ่อและทำให้เกิดเกิดอะไรเกิดความเจริญ คุณธรรมของเราทั้งหมดเลยจิตวิญญาณของเราก็เจริญกายกรรมก็เจริญวิจีก็เจริญอาชีพกรรมการงานเลี้ยงชีพก็เจริญเจริญหมดเลยนะเกิดเกิดหมดเลยเกิดความเจริญนี่คือชาติที่เราจะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นความเป็นแม่ที่จะให้เกิดชาติอย่างนี้ ชาติอย่างเป็นกุศลชาติอย่างเป็นกุศลไม่ใช่ชาติอย่างเป็นอ ก, กุศลอย่างนี้จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ต้องทำอาตมาต้องใช้คำนี้เลยถ้าไม่ทำคุณก็เละอยู่กับโลกเขาแหละเพราระงั้นถ้าใครมาเรียนรู้ทางนี้เข้าใจทางนี้แล้วก็เพื่อให้เกิดอย่างนี้ได้จริงคุณก็เป็นแม่ตัวเองคุณก็ทำจิตวิญญาณของตัวเองคลอดลูกคือวิญญาณจิตตัวเอง ให้ลูกของเราเนี่ยหรือจิตวิญญาณตัวเองเนี่ยมันเจริญมันพัฒนามาเป็นโล ก, กุตระมาเป็นธรรมะอริยะธรรมะอริยะให้ได้เราก็คือทำทำความเกิดของวิญญาณเพราะฉะนั้นจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้ชายจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่ทําเกิดของวิญญาณนวลตนเองได้ทุกคนเรียนรู้ให้ดีเรีนรู้ให้จริงแล้วทําความเกิดในวิญญาณมุ่งตน ในตัวเราเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อที่จะท า, าให้วิญญาณเราเกิดนี่คือการเป็นแม่ก็ต้องรู้ใช่ชัดการเป็นพ่อก็ต้องรู้ให้ชัดแต่วันนี้วันแม่คนเน้นแล้วก็มันยากลีลาแม่เนี่ยอธิบายยากลีลาพ่อเป็นตัวจบเป็นตัวลงตัวไม่ต้องไปอธิบายมากก็แต่มันก็เป็นความขมถ้าปัญญาลงตัวมันก็เป็นปัญญาที่สมบูรณ์ใช่ไห นั่นก็คือปัญญาพ่อถ้าปัญญาลูกเด็กปัญญายังมีเหลี่ยมมีคุยในปัญญาแม่เหลี่ยมมากนะลีลานะันะเขาบอกว่ามีห้าร้อยเล่มเกวียนมากกว่านั้นห้าล้านเล่มเกวียนนะมะันะ้งเจ้ามาอีลาของอิทธิภาวะของเพศหญิงเนี่ยนแะล้วต้องเข้าใจร า, ายละเอียดพวกนี้ดีๆนเะพราะวันนี้อาตมาก็ ยังเหลือเวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงเขาให้ถึงสิบเอ็ดโมงก็คงจะเข้าใจเรื่องการเกิดดึงแม่ดึงพ่อพ็สมควรที่พาให้เกิดทีนี้อตมาก็จะขยายความเกิดเพิ่มขึ้นอีกสั้5ห้าอย่างความเกิดห้าอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้ในปฏิสุบัาิมีหนึ่งชาติชาติสองสัญชาติ สามโอ ก, กันติสี่นิพพติห้าอภินิพพตินะการเกิดอย่างนั้นเป็นลักษณะที่เป็นประมัดนะเป็นตัวการเกิดประมัดการเกิดทางจิตวิญญาณเลยคือจิตวิญญาณเราเกิดก็ชาติรวมเขามาเกิดเขาไม่รวมหมดทุกอย่างเกิดภายนอกภายในรวมหมดชาติทุกสิ่งทุกอย่างชาติที่สองเรียกว่าสันชาติ ก็เกิดจากจิตสัญญะสัญญะตัวนี้มีหน้าที่กำหนดรู้กับสังสมไว้เรียกว่าความจำเป็นสมบัติสัญญะ น, น, นี่เป็นสมบัติเสร็จแล้วมันก็มาเกิดตามมันมีตามที่มันรู้มาลึกๆเลยว่าสัญชาตญาณแล้วมันก็จะใช้ตามความรู้ญาณจะเป็นญาณนรกญาณสวรรค์ ยานอริยะหรือยานโลคีมันก็คือความรู้ยานคือความรู้ของคนที่สั่งสมใครสั่งสมโลคีก็เป็นความรู้แบบโลคีใครสั่งสมเป็นโลกุตระก็เป็นความรู้โลกุตระเกิดอยู่ในจิตแล้วมันก็มีตามที่คุณมีอะคุณมีในจิตของคุณมามันก็มาเกิดไปเกิดแค่โลกียามันก็ใช้แห่โลกียะได้มันจะใช้โลกุตระก็ไม่เป็นน่ะแต่โลกุตระนั้นมันใช้โลกียะเป็นเป็น ใช้โลกิยะเป็นได้ถึงขั้นว่าใช้ดีก็เป็นใช้ชั่วก็เป็นจนกระทั่งเราไม่ซ้อมความชั่วเราเลิกความชั่วจนกระทั่งทําความชั่วไม่เป็นทําความชั่วยากมันก็ยากแล้วก็ทําความชั่วยากเพราะเราเองเราก็จะต้องมาฝึกให้มันเกิดตัวที่สั่งสมนี่แหละเราว่าสัญญาสั่งสมลงไปสมบัติ เมื่อมีสมบัติอย่างไรมันก็มาเป็นสัญชาติอย่างนั้นเพราะเราก็สั่งสมใหม่เปลี่ยนแปลงสัญญะเปลี่ยนแปลงที่สั่งสมเอาดีใส่เอาไม่ดีออกหรือกำจัดหรือทำลายมันก็จะเปลี่ยนแปลงการสั่งสมนี้ลงไปจริงๆตามที่เราทำเพราะงั้นในขณะที่เราเรียนรู้ในปัจจุบัน ไอ้ที่เป็นแล้วมันเประดีแล้วมันก็นั่นแหละคือสั่งสมแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นสมบัติเป็นกรรมมัตย์ตาเป็นกรรมเป็นของของตนแล้วสาเร็จแล้วเพราะเราจะมาเปลี่ยนก็คือตัวใหม่ปัจจุบันเป็นถักแปรเปลี่ยนแปลงใหม่ใส่เข้าไปให้เป็นไปสังเคราะห์ใหม่เปลี่ยนแปลงใหม่ของอดีตเพราะฉั้นปัจจุบันทุกปัจจุบันเราก็จะต้องเรียนรู้อย่างที่อาตมาอธิบายมามีการกระทบสัมผัสแล้วก็ เราก็ต้องรู้ทันและเราก็ต้องหยุดไอที่ไม่ดีตามฐานะกรอบของเราที่จะไปบัดตามระดับของศีลและก็สั่งสมเอาแม่ไม่ดีเอาออกไม่เอาเอาดีไม่เอาไม่ดีเอาดีไม่เอาไม่ดีเอาดีเอาไม่เอาไม่ดีจนเต็มจนมันครบไปเรื่อยๆก็เพิ่มไปเรื่อยเป็นอัธิศีนอัธิจิตอัธิปัญญาก็ตามลาดับไปเรื่อยๆการกระทําอย่างนี้แหละเริ่มต้นทำในทุกปัจจุบัน พอทำได้มันก็ใส่ลงไปใหม่ใส่ลงไปใหม่เราเรียกว่าโอกันติมันก็เกิดอย่างลงสะสมลงประชุมลงนะภาษาบาลีทันแยกไว้เยอะสมโสรนาโอคะทาโอกันติคือการลงทำใส่ลงไปใหม่ในทุกปัจจุบันเมื่อทาลงไปใส่ลงไปอย่างลงไปประชุมลงไปได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็เป็นนิพพัตติ เพราะการเกิดใหม่นี่มันเกิดอย่างโลกุตระมีปัญญามีความรู้เลือกเฟ้นเอาโลกียะกับโลกุตระหรือเอากุศลกับอากุศลเอาออกจริงๆเลยอย่างโลกโลกเขาเข้าใจเขาจังชอบอย่างไรอยู่แล้วก็เลือกแล้วไหมเอา้าเราเอาอย่างโลกุลกตระเราเอาอย่างอาริยะมันเป็นความเจริญที่มากน้อยสัโดดอย่างไรเราก็เรียนรู้ไปตามลาดับ และสรุปสรุปแล้วเราก็ได้สั่งสมลงเป็นการเกิดใหม่เรียกว่านพิพพติเกิดมาเป็นโลกรุตรบุคคลเกิดมาเป็นอริยะบุคคลเกิดสูงสุดเรียกว่าอภินิพพติเป็นการเกิดนิจิตวิญ ญ, ญาณเกิดนั้ไม่ใช่ตัวตนบุคคลนั่นเนี่ยมันการเกิดแบบพระพุทธเจ้าสอนว่าชาติก็ดีสัญชาติกดีอกติกดีนิพพติกดีอภินิพพติกดีเป็นการเกิดทางจิตวิญญาณ รายละเอียดจะต้องอธิบายอีกเยอะอัตมาจะต้องค่อยๆอธิบายลงไปนะอีกมากอีกเยอะแยะเลยนะแล้วนะค่อยๆติดตามฟังอะไรกันนะอันทีนี้อัตมาจะขยายกว้างคำว่าชาติเมื่อกี้นี้คร่าวๆ ที่จริงอธิบายที่จะต้องละเอียดละอ่แล้วจะอธิบายอีกนานก็คือการเกิดที่เป็นชาติเป็นสัญชาติเป็นอกกันติเป็นนิพพติและเป็นอภินิพพตินั่นแหละเป็นปรมาทิติเนี้ยอามาจะขยายความออกมากว้างชาติห้าอย่างที่อาจมาอันนี้อาจมาเป็นคนบัญญัตินี่ใจ่พระพุทธเจ้าบัญญัติชาติห้าอย่างชาติอย่างที่หนึ่งนัยยะที่หนึ่งคือการเกิดของสัตว์โลกธรรมดาเนี่ย การเกิดของสัตว์โลกธรรมดาการเกิดของสัตว์โลกธรรมดาเนี่ยรวมแล้วมันก็เกิดออกมาหมดทั้งด้านการเกิดร่างกายแล้วก็จิตวิญญาณออกมาเป็นตัวเป็นตนเรียกว่าตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหลายไอการเกิดตัวตนบุคคลทั้งหลายเนี่ยที่มันรู้ได้ง่ายๆเติงๆก็สามอย่างง่ายๆ เป็นรูปธรรมหนึ่งการเกิดอย่างอันทชะพุชชะโยนินาการเกิดอย่างที่เรียกว่าเป็นไข่แล้วก็มาเป็นตัวการเกิดทีนี้ไอสัตว์หลายอย่างมันเกิดมาเป็นไข่ออกมาเป็นลูกๆลุก้วก่อนมาข้างนอกแล้วก็ไปเอาไข่นี่ไป ก, ก็ไปเกิดอีกทีนึงเรียกว่าทวิชาติหรือเกิดสองครั้งเป็นอันทอันทชะอันทอันทชะโยนิการเกิดสองครั้ง หรือทวีในแปลว่าสองหรือมันเกิดเป็นไข่ก่อนแล้วก็ค่อยมาเป็นตัวอีกทีหนึ่งที่จริงสัตว์ที่มีมดลูกมันก็มีไข่แต่มันไม่ออกมาข้างนอกมันผสมข้างในมันเกิดข้างในเลยอันนั้นเรียกว่าชลาพุชโยนิก็เป็นการเกิดอยู่ในมดลูกอยู่ในน้ําหล่อเลี้ยงเรียกว่าชลาชลละในแปลว่าน้ําก็มีน้ําที่เราเรียกว่านา้ําคร่ําของในมดลูกก็อยู่ในน้ํานั้นเกิด และออกมาสําเร็จออกมาเป็นตัวเลยเรียกว่าชลาพุชยโย น, นิหรือการเกิดของสัตว์เล็กสัตว์ที่เกิดจากพลังงานของสิ่งที่เป็นแก๊สเป็นน้ำไฟลมอะไรต่างๆนานาที่มันไม่หยาบไม่ที่จะต้องใช้ตัวดินน้ําไฟลมที่มันทั้งเคราะห์กันแตกตัวออกมา อยู่ลังละเอียดละเราเรียกว่าสังเสริะโยนิอเกิดเป็นแบคทีรียเป็นตัวจุลินทรีย์เล็กๆเกิดจากน้ําทําน้ําเน่าน้ําอะไรแต่ไรพวกนี้ยมันไม่ต้องถึงขั้นจะไปอาศัยเป็นตัวเป็นแท่งเป็นก้อนเป็นตัวเป็นต้นอะไรมากมายอย่างนั้นเรียกว่าสังเสรชะโยนิการเกิดอย่างนี้เป็นชิ้นเป็นอันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างนมีวัตถุรูป อย่างนี้การเกิดแบบนี้ก็อย่างหนึ่งเกิดมาเป็นสัตว์นี่แหละสัตว์อย่างอันทะชโยนิสัตว์อย่างฉลาพุชัยโยนิสัตว์อย่างเสสังเส ต, ตทยโยนิการเกิดสามอย่างนี้นี่เป็นการเกิดของสัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาแต่การเกิดเป็นสัตว์นี่มันมีวิ ญ, ญญาณร่วมอยู่ในนั้นด้วยนะทั้งสังเสตชาทังฉลาพุชะทั้งอันทะมันมีวิ ญ, ญญาณประกอบอยู่ด้วยร่ว ม, ร, วมร่วมทงานร่วมกันไปหมด เพราะชาตินายะตที่หนึ่งนี่คือการเกิดของสัตว์โลกสามัญทั่วไปนะได้แก่ชีวิตของคนริวมนุษย์สัตว์เดริชานเกิดมาได้ร่างและบิญญาณแล้วก็ตายไปร่างคือสรีระแล้วก็แตกดับการยัตสเพทาตายลงไปดับลงไปแล้วก็สลายหายไปจบความเป็นชาติชาติหนึ่งก็นิรวาชาติ ชาของร่างกายชาติของร่างกายสเดชามีสรีระพราแตกแล้ก็เปลี่ยนและสรีระอันนี้ก็แยกตัวเองก็ไม่ไม่เกี่ยวแล้วเกิดใหม่ก็ไปหาดินน้ำไฟลมใหม่มันไม่ใช่อันนี้อันนี้คือชาติความหมายที่หนึ่งตามสามัญก็เป็นความรู้เพื้นของโลกแบบสามัญคือเกิดขึ้นแล้วก็มาตั้งอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ดับไป ก็เป็นไตรลั <ak> รกษณ์ได้ว่าลักษณะสามอย่างไตรแปลว่าสามก็เป็นสามัญลักษณ์ก็เป็นลักษณะสามัญเป็นลักษณ ะ, กษณะปกติทั่วไปใครๆก็รู้เด็กๆก็พอมีปัญญาปฏิพันมีเดียงสาแล้วก็รู้ยิ่งโตยิ่งแก่ยิ่งเท่าก็จยิ่ง<ศ>ต้องรู้สิเนานอะอย่างนี้ก็เป็นสามัญลักษณ <presenting> ์ธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมชาติเป็นเรื่องทั่วไปเป็นสมมุติสัจจะเป็นทร สมมติแปลว่ารู้ทั่วกันรู้พร้อมรู้ด้วยกันรู้ร่วมกันเนาสมมติเป็นสัสจจะที่รู้ร่วมกันได้แม้ใครเรียนรู้ความเป็นจริงนี้ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของไอ้ธาตุที่มันมาเกาะกลุมมันไปเป็นสังเสริฐันชาเป็นอะไรอะไรพวกเนี้ยหรือว่าเป็นชลาพุทธะเป็นอันทะจับโยนีเป็นสัตว์ในรจานสัตว์ที่มันเกิดอย่างนี้ทั้งหมดทั้งสัตว์ที่เกิดในสามอย่างเนี่ยนะคุณจะเรียน หรือไม่เรียนมันก็เกิดขึ้นมาอย่างงั้นน่ะคุณจะรู้หรือไม่รู้มันก็เกิดก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นน่ะใช่ไหมอ่าจะรู้ความเป็นจริงนี้หรือคุณไม่รู้ความเป็นจริงอย่างนี้มันก็เกิดก็ตั้งอยู่ดับไปของมันอยู่อย่างงั้นน่ะตลอดการน่าจะเรียนรู้หรือไม่เรียนรู้มันก็ไปเปลี่ยนแปลงไอธรรมชาติแบบนั้นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าเกิดเหตุปัจจัยของมันเป็นยัางไงก็งเป็น HAVE. ไปของมันน่ะเป็นการเกิดของสัตว์โลกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเกิดชนิดอันตชาโยนนี้ที่อธิบายไปแล้วเกิดอย่างชราพุช่ายโยนนี้ก็ตามเกิดอย่างสังเสตชาโยนนี้ก็ตามอทั้งสามอย่างล้วนเป็นการเกิดที่โลวิตชาติที่มีชีวิตแล้วก็ตั้งอยู่ในเวลาช่วงหนึ่งแล้วก็ดับไปหรือตายไปก็เป็นลักษณะสามเรียกว่าไตรลักษณ์ลักษณะสามอย่างนี้เรียนก็รู้ ไม่เรียนก็รู้ได้ใช่ไหมไม่เรียนก็รู้ได้แบบเนี้ยไม่ต้องไปเข้าห้องเรียนไม่ต้องไปอ่านหนังสือไม่ต้องไปท่องตําราเลยสามมันก็เห็นอยู่ตําตาอ่าไม่ยากอะไรเลยไม่ลึกซึ้งลึกลับอะไรสร럽ชาติในการเกิดของสัตว์โลกแบบนี้นะสามอย่างนี้จึงเรียกว่าไตรลักษณ์ที่เป็นสามัญลักษณ์สามัญลักษณะเป็นลักษณะที่รู้กันทั่วไปรู้กันเป็นสามัญใครๆก็รู้ร่วมกันได้เป็นสมมติ อ่าไม่ยากแบบนี้ไม่ยากนี่แบบที่หนึ่งทีนี้ชาติอีกแบบที่สองในยะทสองเนี่ยการเกิดทางจิตวิญญาณนี่แหละยากใส่ตัวสอไปร้อยตัวเลยยากเดี๋ยวหมดเสียงนี่แหละตัวนี้แหละยากทางจิตวิญญาณเป็นการเกิดของสัตว์นี่เป็นสัตว์เหมือนกัน จิตวิญญาณนะสัตว์ทางจิตวิญญาณเนี่ยสรรพสัพปะริทานเรียกว่าโอปปาติกะสัตว์โอปปาติกะเรียกเต็มๆว่าสัตตาโอปปาติกะซึ่งก็เป็นสามันของทุกคนที่มันเป็นอยู่มันเกิดอยู่มันก็เป็นสามมันแต่คุณรู้มันเป็นสามันคุณไปรู้มันก็เกิดไม่รู้มันก็เกิดใช่ไหมมันก็เหมือนกันน่ยสัตว์โอปปาติกะนี่มันก็เกิดคุณรู้มันก็เกิดคุณไม่รู้มันก็เกิด แต่คุณควรรู้ถ้าคุณไม่รู้มันก็เกิดเป็นผีเป็นสางเป็นอะไรก็ไม่รู้หลอกคุณทําลายคุณอยู่คุณก็ไม่รู้มันทุกวันนี้ก็เพราะไม่รู้นี่แหละเลยว่าอวิชาพระเจ้าต้องบอกให้มาเรียนอันนี้มาเรียนอันนี้ไอ้กายเงินนะไอ้ที่มันเกิดจากพ่อจากแม่เกิดจากสังเสริชาติเกิดจางอันตชาติเกิดจากชลอาบุชะช่างมันเถอะเป็นแปลงอะไรมันเล่าของใครของมันนะ แบคทีเรียมันจะแตกตัวเกิดก็ไม่เกี่ยวอะไรกับมันเนาะนอาจากจะไปเอามันมาใช้ดีไม่ดีมันมาเอาคุณใช้ <c oughs> มันมาเอาคุณไปเป็นมะเร็งมัง่งเอาไปเป็นโรคปอดมัง่งมันเอาไปเป็นอะไรก็ไม่รู้สารพัดจะเป็นเรื่องแบคทีเรียมันเอาคุณรู้ระวังล้กันถ้าคุณไม่เรียนก็ยุ่งเหมือนกันแต่ยังไ้มันก็ต้องเป็นแต่ตัวจิตวิญญาณ น, นี่แหละยิ่งสําคัญที่จะต้องเรียนถ้าไม่เรียนก็ไม่รู้จริงๆไ อ, อย้ยางงั้นยังพอรู้นะแต่เขาเรียนกันเยอ ะ, ยอะแล้ว แม้แต่จะเป็นถึงั้นมะรงมะเดงเป็นถึงกานอะไรหมอ้หมอเขาก็เรียนแต่จิตวิญญาณในี่ยพเจ้าสั่นเปียนถ้าไม่เรียนไม่รู้แล้วมันโอ้โหมันทํำลายเราหนักมันต้องเรียนให้รู้ว่าหนึ่งมันตั้งอยู่ที่ไหนที่จริงแล้วมันจะต้องเรียนเนี่ยในสิ่งที่ถูกรู้มันต้องรู้มันให้ได้เป็นนา ม, มานันทํานเรื่อว่าถูกรู้เรื่อว่ารูปต้องถูกรู้ตั้งแต่มันเกิด เราะมันพระพุทจารุกสอนว่ามันจะเกิดได้เนี่ยมันจะเป็นตัวจริงให้เราอ่านได้เลยวิญญาณเนี่ยต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสเป็นรูปเป็นรสเป็นกลิ่นเป็นเสียงเปสัมผัสออกมาพราสัมผัสปับ๊บมันเกิดเป็นตัวนี้เลยตัววิญญาณเลยนี่แหละ ว, วิญญาณนี่แหละมันเป็นภาวะอย่างไหนนะพราะฉะนัออ้นภาวะสองที่เรียกว่าอิกฐีภาวะกับปุริสภาวะอธิบายไปแล้วภาวะแม่ภาวะพอ่อหรือภาวะเพศเพศเมียภาวะเพศผู้ นั่นแหละเราก็จะต้องจัดการให้มันเป็นเพศผู้สําเร็จจัดการเพศเมียให้มันจัดประโยชน์มันมีพลังงานมันเป็นพลังงานจาระนะเป็นกันติกเอนเออรีต้องให้มันมีประโยชน์ไอ้ไม่มีประโยชน์อยากให้มันมีอาศัยมันแต่สุดจบหยุดเป็นบริสภาวะนิ่งหยุดไม่มีนี่คือสุดยอดแต่ถ้ามีต้องมีดีๆนะนะ ก็ต้องเข้าใจภาวะสองเข้าใจหัตถายะตั้งอยู่ที่ไหนมันเป็นนามธรรมามันไม่มีที่อยู่หรอกมันไม่มีที่กําหนดมันไม่มีหรอกไอสถานที่ตัวตนรูปร่างมันไม่มีเพราะฉะั้มันเกิดจากเหตุปัจจัยตากระทบรูปมันเกิดอยู่ที่ตากระทบรูปวิญญาณมันอาเกิดแล้ววิญญาณมันอยู่ที่ไหนกูก็ตามวิญญาณให้ได้ตามได้ตรงไหนตรงนั้นแหละคือหัตถายารูป สมตมติว่าต่างคุณกระทบแกนตะวันเนี่ยแม่สีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้กระทบปับ๊บเสร็จแล้วคุณก็รู้ว่ามันเป็นอะไรปฏิพานบัญญางคุณจะรู้ว่าเออเป็นอะไรรูปร่างหน้าดูไม่น่าดูสีสันไม่น่าดูไม่น่าดูมีกลิ่นก็กลิ่นมันน่าดูหรือไม่น่าดูอะไรต่างๆนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมัน น่าชอบหรือไม่น่าชอบก็อยู่ที่อุปทานของคุณกําหนดว่าอย่างนี้น่าได้น่าเป็นน่าชอบไอ้อย่างนี้ไม่น่าได้ไม่น่าเป็นไม่น่าชอบคุณก็ไปกําหนดของคุณเองนั่นแ่ละไปเซ็น ส, สัญญาไว้เองนั่นแหละสัญญาตัวนี้เนะร้ยายกาจมากเลยไปสัญญาตะพึดขี้หมาก็สัญญาขี้หมูก็สัญญาว่าของฉันต้องได้ต้องมีต้องเป็นหมดมันเยอะไปมันมากไปมันเลอะไปมันหนักนะ มันจะเป็นเซ็นสัญญาอะไรก็มากนะมันมาไม่ต้องไปเซ็นสัญญากับใครสัญญากำหนดรู้ใช้ปั๊บทิ้งปุ๊บใช่ปั๊บทิ้งปุ๊บใครจะทาไมกับเรามาปรับมาไหมเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ต้องไปเผ็นสัญญาใครนานใช่ไหมแต่จะเป็นคนหลอดแหละล่ะต้องรู้ด้วยกำหนดรู้ว่าไอ้สัญญ า, างี้ควสัญญาอย่างนี้กำหนดรู้ดีถึงเอาไม่ดีไม่เอานะาอย่างนี้เป็นต้นสรุปแล้วหัทไทยจะรู้แปลว่าที่ตั้ง ตั้งอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละจะเป็นนามธรรมมันยากทีนี้พราอภิธรรมที่เขามาเรียนกันอยู่ในเมืองไทยเขามันอยู่ที่หัวใจลูกหัวใจมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับวัตถุรูปแล้ววันนี้มันนามธรรมหน้าเขายากมากะเขาเขาว่ามันไปอยู่ตรงนี้ไปกําหนดรูปอะไรอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นล่าเป็นสถานที่ไปมันก็เลยจับตัววิญญาณไปเพราะวิญญาณมันดุกดิบมากมันไม่ได้อยู่กับตรงนี้มันไม่มีที่อยู่มันอยู่ที่ไหนมันเกิดไวเร็ว อแล้วก็ไปตรงรู้ตัวจริงมันเกิดที่ไหนคุณมาเจาะอยู่ที่นี่มันเกิดที่ไหนก็ไม่รู้แล้วคุณจะมาอยู่ที่หัวใจเนี่ยบัดโธแล้วมันก็ผิดที่ผิดทางผิดที่อยู่ของมันมันก็ไม่ได้เรื่องนี่แค่กําหนดฮัตไทรูปก็ยากและผิดแล้ะเพราะนั้นต้องตามไม่รู้ว่ามันเกิดอาการตรงนั้นตรงไหนยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้อีกทีเช่นมันเกิดที่นี่มันก็อยู่ที่นี่มีองค์ประกอบที่นี่กับความรู้สึกของเราเพราะมันเกิดที่นี่เป็นความรู้สึก มันก็เป็นรูปไปเจาก็ถ้าเป็นอุปาทายรูปเข้าไปข้างในก็ไปเป็นรูปจากรูปข้างในเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของนามมาทำด้วยเรียกว่าความรู้สึกเวทนาความรู้สึกคุณรู้สึกยังไงรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์หรือรู้สึกชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยเขาก็อ่านอาการเหล่านั้นอีกนั่นแหละคุณเป็นไปอยู่ที่เวทนามันก็ไอขัดไทยรูปมันก็อยู่ที่เวทนา อยู่ที่รูปเนื่องเข้ามากําลังกายเข้ามามันยังไม่มีความรู้สึกยังไม่มีการอ่านความรู้สึกมันก็มาเรื่อยๆต่อเชื่อมต่อมาเป็นสัตติต่อกันเข้ามาเรื่อยๆพอมาถึงตัวความรู้สึกเพราะมันเป็นนามเนี่ยมันมีตัวความรู้สึกมันเป็นนามก็เรียกมันว่าเวทนาแต่มันรู้สึกยังไงนะในเวทนาเวทนามันรู้สึกรวมเลยองค์รวมก็เวทนาโอยมันสุขโอ้มันทุกข์โอ้มันไม่สุขไม่ทุกข์ ก็เจอะลงไปในเวทนามันเหตุอะไรมันถึงสุขเหตุอะไรมันถึงทุกข์เหตุอะไ ร, ม, ะไรมันถึงเฉยๆก็ถึงพิจารณาเวทนาในเวทนาเราไปเอกตอนนี้ที่ตั้งของใจที่ตั้งของกิญญาณก็อยู่ที่เวทนานี่แหละเมื่อจับตัวการได้เป็นตัวเหตุเออเหตุนี้แหละมันถึงทุกข์ทำไมทุกข์เหตุนี้แหล ะ, ม, หหหละมันทำให้สุขจับตัวการได้เพราะคุณจับตัวการได้ ไอ้ที่ตั้งมันก็อยู่ที่ตรงนั้นแหละไอ้ตัวการตัวนั้นน่มันคือกิเลสมันคือตัณหาทำให้ไม่ตัวทำให้ไม่ดีทำให้ไม่ทุกข์ทำให้ไม่เจริญก็จัดการกับตัวนี้เลยมันก็ถูกตัวมันถูกอยู่ที่ตั้งไหนที่ตั้งนั้นแล้วต่อมาชีวิตตัรูปมันมีชีวิตคือมันมีอาการมันมียังไม่ตายมันมีชีวะมันมีชีพ อาการของลีลานี่มันมีชีพมันไม่ใช่ชีพตัวตนบุคคลเราเขานะชีพของจิตปัญญาเป็นชีวิตอินซีเป็นอินซีเป็นแรงเป็นพลังของชีวะของชีพมันยังดินดด้นดุกดิ้นอกแม็กดูมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารอยู่นะเป็นวิญญาณอยู่นะชีวิตของวิญญาณนะกูก็อ่านไม่ให้เป็นว่ามันชีวิตนะชีวิตมันเกินไป ชีวิตมันแรงไปชีวิตมันดุกดิกไปชีวิตมันเฟ้อไปชีวิตมันไม่ได้ความพอเหมอกพอดีมันไม่เป็นประโหติชีวิตมันไม่เป็นประโยชน์ชีวิตมันเป็นโทษแล้วนะมันเป็นภัยแล้วนะมันเลวแล้วนะมันชั่วแล้วนะมันบาปแล้วนะมันไม่ดีไม่งามแล้วนะคุณก็ต้องมีปัญญาเลือกเฟ้นและรู้ความจริงนให้ได้ว่าชีวิตของจิตวิญญาณนี่เป็นตัวประทานใหญ่เลยนะมองและจัดการตัวนี้ ชีวิตตรูปชีวิตตินซีของมันคุณต้องเอารู้อาการในว่าจริงๆยจริงๆและต่อจากนั้นอาหารรูปสิ่งที่อาศัยอาศัยอาหารก็เอาอาหารเช็คง่ายๆอาหารคือของกินกวลิงกะาหานี่ก็ได้ในกวลิงกะาหานี่ก็มีโทษมีภัยตาพึดติดรูปติดรถติดกลิ่นติดเจียงติดสผัสติดอ้อ เางันท่านพระพุจ้าท่านบอกเรียนจากโภชเนมตะยุตาเนี่สัมผัสตัวนี้อาหารนี่แหละพิจารณาเนี่ยตัวผีร้ายประกอบอยู่กับอาหารนี่แหละชอบไม่ชอบจะต้องเอารูปอย่างนี้เอารสอย่างนี้เอากลิ่นอย่างงี้เอาเสียงอย่างนี้สัมผัสอย่างงี้อย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้กำหนดในใจให้ได้มันก็ไปสัญญาวังไปกําหนดหมายทั้งนั้นแหละกําหนดแล้วก็ยืดต้องเอาอย่างงี้ได้อย่างงี้เป็นอย่างงี้มีอย่างงี้ไม่ได้อย่างงี้ไม่เป็นอย่างงี้ไม่ชอบ คุณบ้าเองทั้งนั้นชอบหรือไม่ชอบคุณบ้างั้นคุณกำหนดเองนั่นแหะตรงกันที่ไหนถ้าตรงกันมันฆ่ากันตายหมดแล้วมันแยกกันเดียวกันนตายเลยใช่ไหมมันก็ต่างกันไปบ้างต่างกันไปบ้างคล้ายคลกันบ้างต่างกันไปบ้างคล้ายกันบ้างก็ยังดีถ้าอันเดียวกันละเละเลยมันต่างกันแยกกันไปบ้างก็ยังดีแต่ขนาดนั้นมันก็ยังแย่งกันอะไรมันคล้ายกันมันก็ไปแย่งกันเลยมันคล้ายกันไปเฮ้ยนี่ข้าก็อยากไดอยากได้ข้าก็อยากได้ก็แย่งกันอย่างเงี้ยเละกันอย่างเงี้ย เพราะงั้นล้วก็เอาที่อาหารที่มันเป็นเครื่องอาศัยจะเอามาให้สังเคราะห์ร่างกายใช้อาศัยไม่ต้องไปติดล็อกรถมันมีสองรถรูปมันมีสองรูปกลิ่นมันมีสองกลิ่นเสียงมีสองเสียงสัมผัสมันมีสองสัมผัสรูปอันนี้อย่างนี้คุณก็ไปพิจารณาว่าสวยไม่สวยสมใจที่คุณกำหนด ก็ต่างกันไม่ก็ตรงกันทีเดียวหรอกคล้ายกันก็ได้อย่างที่ว่าถ้ามันตรงกันที่คุณชอบคุณที่กําหนดคุณก็เกิดอิทธารมณ์ชอบคุณจะชอบหรือไม่ชอบมันก็รูปอย่างนี้แหละตาใครกาหนดไปกระทบสบัสมันก็รูปอย่างนี้แหละจบรูปตรงกันหมดละแต่อชอบก็ไม่ชอบซึ่ไม่ตรงกัน นี่แหละไอ้ไอ้ อ, อ, อรูปสองที่สองนี่แหลไอ้รูปชอบไม่ชอบนี่แหละคือรูปผีบ้านี่แหละตัวผีบ้าล้างมันให้ดีตัวนี้แหละเพราะใครอ่านอาการของจิตมันมีผีบ้าตัวนี้ได้แล้วก็เอาออกได้เออตัวนี้แล้วคุณก็ทําให้มันดับกิเลสตัวที่มันชอบแล้วมันติดมันยึดมันเอาอย่างงี้มันกําหนดอย่างงี้ ทุนทําให้มันหายไปดับไปคุณก็เห็นความดับได้คุณก็เห็นความดับในความเกิดขณะที่ไอ้ผีที่ไอ้ตัวมันชอบอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเราไม่เอาแล้วไม่ต้องชอเฉยๆกลางๆหน้าก็อันนี้มันดีมันมีประโยชน์นี่วันนี้ประโยชน์มีคุณค่าประโยชน์แล้วนี่เอาดีไม่ดีมันอาจจะไม่ค่อยถูกต้องตามใจเราชอบเราอะไรแล้วเออมันก็สีมันไม่สวยเลยคูขะคูขะเออมันไม่ มันไม่มันไม่นิ่มเลยมันกรอบไอันนี้ใหม่ๆถ้ามันถ้ามันเน่ามันคงจะกรอบก็มันคงจะนิ่มเนาะไอ้นี่มันยังกรอบอยู่เอ้ยมันไม่นิ่มแล้วมันกรอบแต่เราชอบนิ่มนี่อะไรงี้เป็นต้นเอาเถอะนะไม่นิ่มก็ไม่เป็นไรก็มันยังสดมันก็กรอบอ่ะแต่มันเป็นสาระนะมันเป็นประโยชน์คนก็อย่าไปติดยึดในสิ่งอีกที่ไอ้นั้นแต่ประโยชน์ที่มันมีสาระคนก็เอาคณทำไม่ ยางงี้ได้คุณทำสำเร็จคุณก็เห็นการสำเร็จทำให้กิเลสที่มันชอบมันชังหายไปต่อหน้าต่อตาจิตวิ ญ, ญญาณขอคุณก็เกิดเป็นจิตใหม่จิตสะอาดจิตที่บริสุทธิ์ความเกิดความดับไม่ได้หายไปไหนเลย <S <S คุณเห็นความดับคุณก็เห็นความเกิดสันตติต่อเนื่องกันนี่คือการเห็นความเกิดความดับอย่างแท้จริงของจิตวิญญาณ มันจะไปเห็นความเกิดความดับอย่างที่สอนกันวิปัสสนาญาณนั่งเขาไปหลับตาเห็นจิตมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไอเห็นขึ้นมันเกิดโอ้ยจิตมันก็เกิดก็ดับจิตมันก็เกิดก็ดับเดาโมเมทั้งนั้นเลยจิตมันเกิดเป็นดับมันคือไรคือมันคิดก็เกิดมันไม่คิดก็ดับนี่แหละนั่งหลับตานั่นน่ะมันมีอาการคิดขึ้นมาดุ๊กดิ๊กขึ้นมาเกิดไม่ดุ๊กดิ๊กดับอย่างเก่ง พวกนั่งหลับตาเนี่ยยางเก่งเออมันเกิดอย่างนี้มันกำลังคิดทางกามเอออาการนี้เป็นอาการความคิดฟุ้งไปหากามอันนี้กำลังฟุ้งไปหาพยาบาทไปโกรธไม่ชอบใจอันนี้ชอบใจอาการนี้อ่านออกแม้แต่ในความนึกคิดความจำของก็มีมันเกิดได้มันยังมันยังอาฆาตคนนี้อยู่มันยังชอบคนนี้อยู่มันยังไงมันก็มานึ ก, น, กนึกขึ้นมาถึงได้เป็นของแห้งไม่จะของสด ถ้าคุณอ่านงั้นได้คุณก็เห็นคุณให้มันดับมันก็ดับมันไม่ใช่ของสดแต่พอมาประสบของสดจริงๆเลยคุณหยุดไม่ได้แม่เกิดแม่ถ้าคุณประสบกระทบสัมผัห์นี้มันยั่วด้วยนะยั่วยให้โกรธมันพยาบาทชังกันอยู่แล้วมันยั่วยิ่โกรธหรือยั่วยให้รักเออมันรักอยู่แล้วยั่วให้รักอีกเออยยั่วยิงขนาดไหนก็ไม่ขึ้นหวะโกรธก็หยุดโกรธยั่วขนาดไหนก็ไม่ขึ้น อันนี้สิจริงถ้าอันนี้จริงได้แล้วไปอยู่ในใจไม่มีอะไรสัผัสกระทบนึกขึ้นมาแล้วมันจะไม่มีแรงอะไรแหละมันมันนึกทำไงว่าก็ขนาดสัมผัสแรงๆย่อกระทุ้งกระแทกก็ยังไม่ขึ้นเลยเอาความจํานั้นมาอีกมันปัจจุบันของจริงนี่กระแทกยังไงมันก็ไม่เกิดไม่รักก็ไม่รักโกรธก็ไม่โกรธชอบก็ไม่ชอบชังก็ไม่ชั่งนะ เหลืออยู่ในใจคุณไม่ชอบไปชังสดๆที่แท้แล้วเนี่ยคุณดึงความจําคุณดึงจิตของคนที่มันไม่ได้กระแทกจริงยังไงมันก็ไม่เกิดไม่รักไม่ชังจําคุณก็เอายังจําได้อยู่แต่ก่อนเรายังยักยันชังแต่ตอนหลังได้ประกระแทกดูแล้วไม่รักไม่ชังก็ความจําเท่านั้นเอคุณยังเหลือว่ามันเคยรักเคยชังมันยังเหลือรักชังอยู่นะจะมีอาการเกิดในใจก็เหลือสิ่งที่เหลือพระพุธทธเจ้าถึงนบอกว่า ไ อ, อ้เหลือๆนี่แหละกว่าจะหมดความจําเนี่ยนาน <g ül> ไ อ, อ้เหลือๆจะปมดความจําเนี่ยนานแต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้วถ้ามันจะเหลือมันก็อยู่แต่ในใจของคุณใช่ไหมมันไม่ออกไปข้างนอกมันก็ไม่เป็นภยัยกับใครแล้วคุณไม่รักไปชังข้า ง, างนอกแล้วปฏิกิริยารักชังไม่มีข้างนอกแล้วมันอยู่ในใจของคุณก็คุณจะแบกไปอีกกี่ชาติเชิญดิถ้าไม่หนักก็จะไปรักไปชังอยู่ทําไมโดยในของแห่งๆลมๆแรงๆมันไม่เกี่ยวกับเขาคุณชังเขา เขาก็ไม่กระทบอะไรกับคุณคุณจะชังในใจคุณก็ชังไปเอกจรังคุณกชังมันจริงชังมันจริงชังมันแรงแรงเลยไข่ร้อนเขาจะรู้สึกไหมคุณชังในใจคุณแรงๆนะเขาจะรู้สึกไหมจําไว้ได้อย่าบ้าอย่าบ้าไม่ชังมันอยู่แรงๆอะไรนี่เรื่องรักมันแรงๆเหมือนกันรักมันมันรู้ที่ไหนของใครของใครถ้าไมกระทบกระแทกควสัมผัสแสดงออกทางร่างกายทางข้างนอก เกิดอะไรดับเพราะฉะนั้นคุณจะดับอะไรเข้าใจลึกขึ้นนะว่าชาติในที่สองนี่แหละอาตมาว่าจะที่บายชาติถึงห้าชาติได้แค่สองชาติก็พอแล้วเนื้อหาสองชาตินี่แหละเป็นตัวหลักส่วนชาติอื่นสรุปนางก็ผ่านไปเลยกันแล้วกันว่าชาติเมื่อกี้นี้ตัวไหนให้ดับตัวไหนให้เกิดให้ดับถ้าเกิดอยู่มันก็คือเกิดให้มันเกิดได้แล้วเรามีอํานาจเหนื้อมันจะให้มันหยุดก็หยุดได้ทันที อันนี้มุทุภูตตาเราคุต้องเก่งถ้าจิตมุทุรู้ไว้เปลี่ยนแปลงไว้ดับไปปรับให้มันเกิดก็ได้บัมีก็ได้ไม่มีก็ได้มีก็ได้ไม่มีก็ได้นี่คืออมตะบุคคลคืออตมัมมยตาเป็นผู้สูงสุดไม่มีอะไรติดยึดแล้วนะ่ะอตมัมมยตาไม่มีกิเลสตัณหาอะไรแล้วนะ่ะและมีพลังด้วย นั่นคือตัวจบของชาติชนิดที่สองคือเกิด โ, โอบปาฏิกะชาติทางจิตวิ ญ, ญญาณส่วนชาติองค์รวมมันพูดไปแล้วอนก่อนมันจะเกิดสังเสตชาติเกิดอันตชาติเกิดชะลาพุชา่าไปแล้วอันนี้การเกิดอันนี้ทางจิตเราเรียกว่าเกิดโอบปาติกะโยนิเกิดทางจิตวิ ญ, ญญาณอันทีนี้ก็ขอจบมันจะจบลากันเหละอย่างนี้หน่อยก็อีกสามชาติสั้นๆชาติอีกในยะหนึ่งก็คือ ชาติลิงลมอมก็พองชาติลิงลงอมก็พองเนี่ยอัตมาก็ไม่เชื่อว่าใกล้จะรู้ได้ไง่ายๆแต่มันมีอย่างพระพุทธเจา้าท่านก็มีลิงลงอมก็พอ ง, องท่านทั้งเกิดมาท่านมีแล้วนะสมภพสมมาสมโพธิจารดั้นสั่งสมมาครบแล้วพอมาถึงเกิดชาตินี้ท่านก็มาถูกครอบงำแม้แต่พระเจ้าสุดโทธรนักมอมเมา แม่ฟังแล้วเหมือนเหมือนโ อ, โ อ, โ อ, โอ้โง่พระเจ้าไม่รู้จะความแก่ไม่รู้จกความป่วยไม่รู้จะความตา ย, อ, ยอายุยี่สิบเก้าโตโจนอายุเป็นมีเมีย ม, มีอะไรแล้วแต่ไม่รู้ไม่รู้จักจนออกไปข้างนอกรอบออกไปกับฉันนะได้ไปเจอคนเจ็บ อะไรนี่อะไรนี่คนป่วยเจ็บ ป, ป่วยคนป่วยพระจกค่ะคนต้องเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นเป็นเป็นเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหรอเป็นพรรยากาเฮ้ยมันน่ากเกลียดนะมันน่ากลัวนะปวยป่วยเจ็บเจ็ บ, เ, บเนี่ยไปเจอคนตายตายนิ่งแ ง, งไม่กระดุกกระดิกแม่อะไรไม่รู้เรื่องไม่รู้กระดุกอะไรเลยอะไรเี่ คนตายคนต้องตายด้วยเหรอแม่งโง่จังเลยเนาะเราคิดดูแล้วทำไมพระเจ้าท่านโง่ขนาดนี่แหละคือลิงลมอมกอพองถูกครอบงำนี่พ่อท่านครอบงำไม่ให้รู้เลยความแก่ก็ไม่ให้รู้ความเจ็บป่วยก็ไม่ให้รู้ความตายก็ไม่ให้รู้ไม่รู้จักโลยมันเป็นยังไงก็โลกโลกครอบง่จริงท่านรู้หมดทุกอย่างนั่นแหละแต่นี่คือ สภาวะการครอบงำทางโลกีครอบงำทางโลกตัวเองยังไม่ขึ้นมาเป็นตัวเองบารมีตัวเองยังไม่ขึ้นมามันยังมันยังไม่เหมือนกับเด็กเลยฮอร์โมนยังไม่มีมันก็ยังไม่มีอะไรมันยังไม่ได้เหตุปัจจัยทีนี้เราไม่มีเหตุปัจจัยก็ถูกครอบงำไปเรื่อยเป็นอยู่เรื่อยจนไปเจอภิกษุอะไรในี่ภิกษุ นักบวชผู้หาทางที่จะพ้นทุกข์พวกนี้พ้นเกิดพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายนี่แหละอ๋อต้องมองอย่างนี้เหร อ, อมันจะไปอย่างนี้อ๋อเห็นทางออกอ๋ตอตรงเป็นพิสูจนนี่หรอไม่เอาแก่แก่จเจ็บเจ็บป่วยป่วยตายตายตายตายตายท่านคือท่านกลัวกลัวความเกิดความแก่ความเจ็บความตายศึก <c oughs> สั่งสมศึกษามันนานมากกี่ชาติต้องกี่ชาติไม่รู้เพราะท่านก็เลยต้อง ตกลงสรุปนะปิงลมองข้พองคือการเกิดที่ถูกคลอกกำทางโลกพอสมควรแล้วก็ไว้ไปตามมันจะมีกามจะมีพยาบาทจะมีโลค ล, ลาบยศสันเสริญอะไรก็ลงไปตามโลกมีความสุขตามโลกีอะไรไปตามโลกไปตามช่วงหนึ่งระยะหนึ่งแต่ท่านมีของท่านเองหมดแล้วคุณสมบัติอันวิเศษ ท่านมีสมาธ์ท่านปุยามีพุทธการท่านธรรมงท่านมาก่อนแล้วแต่ตอนนี้มาถูกครอบงำทางโลกก็เป็นไปชั่วคราวตามวิบากของใครของมันอย่างอาตมาก็มีวิบากของอาตมาอาตมาก็ถูกครอบงำทางโลกไปเล ะ, เ, ล ะ, เ, ล ะ, เ, ละเทะอยู่ตามตามคู่ตัวเองนะแต่มันก็ถูกครอบงำไปอ่ะตามแล้วแต่บุคคลที่วิบากใครวิบากมันมีทั้งคู่วิบากมีทั้งอะไรแล้วแต่ก็อาตมาก็ไม่เคยหนัก เรื่องไม่หนักไม่นาอะไรไม่ว่าในเรื่องรักเรื่องบู้เรื่องบู้ไม่มีแต่เรื่องรักมีมีบ้างเรื่องบู้ไม่มีอัตมาชาตินี้แม้แต่คนจะถูกคนไม่ชอบหน้าก็มีบ้างแต่ว่าถึงขั้นใครเตะใครถีบอาตมาไม่เคยเจอในชาตินี้ไม่มีใครมาเตะมาถีบอาตมาได้ไม่เขาได้เขาทําได้เพราะอาตมาก็ไม่ได้ไปเป็นนักเลงอะไรแต่ไม่มีมันมีเหตุการณ์เกิดเลยตลอดชีพมาเยาวเยาว์สามสิบหกปีถึงออกมาทางนี้ พระพุทธเจ้าท่านย9บเก้าปีท่านก็เอาออกไปแล้วสิ่งที่มันยังถูกครอบงำยังไม่รู้ตัวยังไม่ถึงเวลาแมเก้ายี่บเก้าปีแล้วท่านก็ต้องสามสิบห้านะท่านก็ไปถูกครอบงำในลีลานักบวชไปบวชย่างผิดผิดทุกกรกิริยาอยู่อีกตั้งหกปีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องพุทธธรรมนะอย่างนี้เป็นต้นท่านก็ไปถูกครอบงำอยู่นะแม้แต่หกปีนั่นก็คือการถูกครอบงาทางแบบภิกษุนักบวชผู้หาทางออก ก็ไปหาทางออกแบบเลยของท่านมีแล้วจริงๆท่านมีสมโภชสมโภชมีพุทธการกรรมธรรมท่านมีสมาสบุที่ยานท่านมาแล้วท่าไม่ได้ปฏิบัติทำเลยไม่ได้เรียนรู้เลยของท่านเองสยามภูท่านมีอยู่แล้วมันยังไม่เกิดยังไม่ขึ้นมาเท่า น, นเองเพราะฉะั้นช่วงที่ไอสิ่งที่มันโลกมันครอบงายัางไม่ไม่เป็นตัวของตัวเองเต็มที่นี่แหละมีการเกิดแล้วเกิดอยู่ชั่วระยะหนึ่งอันนี้แหละคือการเกิดชนิดลิงลมอมก็พองอัตมาตั้งเอง ไม่รู้จะเอาภาษาอะไรมาตั้งมันเมาโลกอะเมาโล ก, กีมือก็ไอ้ลิงลมในี่ใครเคยเล่นดิงลมบ่บ่บ่มันนั่งเอาผ้าผูกตาแล้วก็หมอบให้เขาสัน่นขยับไปลิงลมลมงก็เพราะก็มีเพลงร้องแล้วจนเวียนหัวมันเมาลไม่รู้ก็ไปสเปซสปะไ ป, ป, ไปนั่นแหละถูกโลกหลอกไปก็โลกเขาเมาไปก็โลกเขาไปชั่วกราวขายเมาเป็นตัวเขาตัวเอง นี่ลิงล้มชาติแบกลิง ล, งลง้มองค์กรพองชาติอย่างที่สี่คือชาติที่มันเกิดที่เรียกว่าประเทศชาติรัฐนี่เกิดประเทศเป็นองค์รวมของทั้งรูปธรรมนามธรรมา ท, ทั้งตัวคนบุคคลเราเขาวัฒนธรรมนิสัยใจคอวิญญาณหมดรวมอยู่ในนี้เป็นรูปธปรรม ท, ทั้งหมดเรียกว่ากายโยกายโยนี่คือองค์รวมทั้งหมดองค์กายพยพองค์ขาพยพของทั้งหมดนี่นี่เรียกว่าชาติเหมือนกัน ก็กำหนดว่า น, นี่นี่ชาติไทยนี่ชาติลาวนี่ชาติฝรั่งนี่ชาติอังกฤษนี่ชาติอเมริกาอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็คือชาติในที่สี่ในที่ห้าคือชาติที่ยึดทิฐิยึดอัตตาการเกิดของการยึดอัตตายึดทิฐิเนี่ยก็ต้องเรียนรู้เข้าไปให้ชัดเจนให้สมบูรณ์เมื่อเรียนรู้แล้วก็ละความติดยึดที่แบบ ทิฏฐิหรืออัตตานั้นเสร็นได้คุณก็ดับชาติได้นี่ก็แยกเป็นชาติห้าชนิดให้ฟังชนิดสำคัญที่สุดก็คือชนิดที่สองชนิดที่สองเป็นการเกิดของสัตว์โอปปาติก ะ, ะจริงๆแล้วชาติที่ห้านี่ก็โอปปาติกะทิฏฐิและอัตตานี่ก็โอปปาติกะแต่แยกให้ชัดเพราะจะได้เรื่มต้นถุกสำคัญนะ อัตตากทิฏฐิเนี่ยอยู่ในทิฏฐิอุปทานสองเลยอยู่ในอุปทานสองของสี่การมุปาทานทิฏฐุปาทานศิลปุตุปาทานอัตวาทุปาทานมีอัตตาที่เป็นอัตตาจริงด้วยไม่ใช่อัตตาแต่วาทะด้วยกับทิฏฐิส่วนกามกับสินพจน์นั้นก็คือองค์ประกอบที่จงใช้เป็น ความหมายสำคัญกามคือตัวแน่แท้ที่จริงที่สุดแห่งที่สุดหมดคือกามตัวเดียวกามที่มันยึดติดที่มันใคร่อยากอยากดีหรืออยากไม่ดีเท่านั้นเองจบนะอ้าออรอะตมาได้ขยายความเท่าที่เวลามีพอสมควรวันนี้ก็ได้ขยายความเป็นแม่ให้ฟังอย่างละเอียดการเกิดเป็นแม่หรือเกิดเป็นลูก โดยมีคำว่าพ่อประกอบไปน้อยๆไม่มากนักแต่คำว่าแม่นี่ละเอียดหน่อยก็เท่าที่เวลามีนั่นก็ได้เรียนรู้ความเป็นแม่ควรจะทำอย่างไรควรจะปฏิบัติอย่างไรก็รไปทำให้ได้เกิดประโยชน์แก่ตนแก่ตนทุกคนเธอสาธุค่ะกราบคระบธรรมหนึ่งครั้งค่ะ